ลอยก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นเข้าเมืองไทยในภายหลังก็รู้สึกว่าค่อนข้างแปลกเพราะว่าในวันแรกๆนั้นมีแต่คนโท ม, มานะัทเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นมารร้ายแต่ภายในเวลาไม่เท่าไหร่ความรู้สึกก็ดูเหมือนว่าจะลืมเลือนกันไปญี่ปุ่นเป็นจํานวนมากทั้งทหารและพลเรือนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยร่วมกับคนไทยโดยสนิทสนมมีทหารญี่ปุ่น ผ่านเข้าออกในเมืองไทยอย่างมากมายไม่มีใครรู้ว่าอะไรและภาวะเช่นนั้นก็ดูกลายเป็นภาวะธรรมดาฝรั่งหมดความสำคัญลงไปจริงๆอย่างที่คุณเสวีได้ว่าเอาไว้และกลายเป็นศัตรูหรือเป็นคนชนิดที่เหยียดยามเล่นได้ไม่ต้องเกรงใจส่วนญี่ปุ่นกลับกลายเป็นคนสำคัญเป็นมหามิตรมีงานการที่ไหน ก็ต้องมีนายทหารญี่ปุ่นและพลเรือนญี่ปุ่นไปปรากฏกายในฐานะแขกอันมีเกียรตินึกถึงเรื่องคู่กรรมเลยทีเดียวนะคะพรอยไม่สู้จะสนใจในรายละเอียดต่างๆและความรู้สึกต่างๆในทางการเมืองเท่าไหรนะ่นักโล่งใจแต่เพียงว่าความกลัวสงครามความรู้สึกตะขันตะครอที่ว่าสงครามจะมาถึงตัวเมื่อไหร่นั้นบัดนี้หมดไปแล้วเพราะสงครามได้มาถึงเข้าแล้วจริงๆและเมืองไทย ก็เข้าสู่สงครามในฐานะคู่สงครามโดยลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรกับฝ่ายญี่ปุ่นในโบทวัดพระแก้วแต่ขณะเดียวกันภัยจากสงครามที่พลอยเคยนึกเกรงกลัวก็ไม่ได้มาปรากฏให้เห็นเมืองไทยเคยอยู่อย่างไรก็ยังคงเป็นไปเช่นนั้นความตรหนกตกใจที่เกิดขึ้นชั่วครู่เมื่อวันที่8ธันวาคมนั้นดูจะหมดไปโดยรวดเร็ว คนไทยส่วนมากที่พลอยรู้จักก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดินฟ้าอากาศและธรรมชาติต่างๆก็ยังคงเป็นไปเหมือนเก่าไม่มีสิ่งใดปรวนแปร ى, ในทางที่จะสอให้เห็นว่าบ้านเมืองวิปริตฝนยังคงตกทำความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินแดดยังออกทอแสงให้ความอบอุ่นและนกเล็กใหญ่ที่เคยส่งเสียงร้องตามต้นไม้ใกล้บ้าน ก็ยังคงส่งเสียงร้องต่อไปอย่างเบื่อปานพลอยมองดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็นึกอัศจรรย์ใจอยู่ครั้นสิ่งแรกแห็งความเปลี่ยนแปลงที่พลอยเห็นได้ก็คือราคาของต่างๆที่เริ่มขยับตัวขึ้นสูงนับตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นเข้าแต่อาการเช่นนี้พลอยก็เห็นว่าเป็นของธรรมดาเพราะว่าเมื่อสงครามโลกครั้งก่อนก็เป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเท่าไหรนะ่นัก พลอยยังจำได้ว่าคุณเปรมพูดเมื่อครั้งนั้นว่าการที่ของขึ้นราคากลับเป็นของดีเพราะหาเงินได้ง่ายแต่พลอยหารู้ไม่ว่าสงครามคราวก่อนกับคราวนี้นั้นห่างไกลกันเป็นหนักหนามสิ่งที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเริ่มจะร่ำรวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตา คนที่เห็นได้ชัดที่สุดก็ไม่ใช่ใครนะคะลูกเขยของพลอยเองคุณเสวีค่ะเพราะว่าตอนนี้นอกจากทำราชการแล้วคุณเสวี ee, ยังเที่ยวซื้อขายสินค้าต่างๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ในทางการค้าขายกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งขณะที่พลอยนั่งคุยอยู่กับประภัยสองคนตาอั้นก็เข้ามาร่วมวงคุยด้วย แล้วตา อ, อันก็ถามประไพว่าประไพเขาบอกหมูนี้ผัวแกรวยนักไม่ใช่เหรอไพไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอ้าวเป็นผัวเมียกันทำไมถึงไม่รู้เรื่องคุณเสวีเขาไม่เคยบอกอะไรกับไยเลยโดยเฉพาะเรื่องการทํามาหากินของเขาเขาเคยถามแต่ไยว่าคุณแม่มีทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง ครั้นภัยบอกว่าภัยไม่รู้ไม่สนใจเขาก็ดุหาว่าไม่เป็นผู้ใหญ่อีกน้อยจะยากจนไม่รู้ตัวฉันไัยรำคาญจะตาอยู่แล้วอย่างนั้นก็แล้วไปเถอะพี่ถามดูอย่างนั้นเองเพราะได้ข่าวว่าคุณเสวีของประไพ่เขารวยมากเพราะว่าค้าขายกับญี่ปุ่นมีหน้าล่ะเขาถึงรักกับญี่ปุ่นนักต่อันผููทิ้งท้ายเอาไว้แต่เพียงเท่านั้นแต่ก็มากพอ ที่พลอยจะจับหางเสียงได้ว่าตะอั้นไม่พอใจและตะอั้นก็ไม่ชอบคุณเสบีเหมือนเมื่อก่อนความสงสัยกินใจแล้วก็รังเกียจจนออกนอกหน้าทําให้ตะอั้นกลับคิดถึงน้องชายวันหนึ่งตะอั้นพูดกับพลอยว่าคุณแม่ได้ข่าวจากออสบ้างหรือไม่เป็นยังไงบ้างออสเขาไม่เคยเขียนหนังสือถึงผมเลยอั้นก็รู้ดีว่า ออสกขี้เกียจเขียนหนังสือออกจะตายไปแต่แม่เองก็ยังนานๆได้หนังสือกะทีหนึ่งไม่มีอะไรหรอกเห็นว่าสุขสบายดีทุกอย่างพลอยก็พูดแก้ตัวแทนแต่ออนะคะความจริงผมไม่อยากให้ออสไปอยู่ไกลบ้านเวลานี้เลยถ้าเวลาบ้านเมืองปกติดีก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ในเวลาศึกสงครามแบบนี้ผมไม่สบายใจอยากให้มาอยู่ใกล้ๆกันมากกว่ามีอะไร จะได้ปรึกษาหารือกันได้เราก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนการอัน้นแต่ไหนๆก็จะพูดกันแล้วแม่ก็จะพูดด้วยความจริงพี่ต่ออสออกจากบ้านไปนั้นเห็นจะเป็นเพราะความน้อยใจพี่น้องมากกว่าอย่างอื่นถ้าอั้นอยากให้น้องกลับอั้นก็ควรจะเขียนจดหมายไปถึงน้องไปพูดจากับเขาแม่รู้ว่าออสเป็นคนรักพี่รักน้อง ถ้าได้หนังสือจากอันแกก็คงพอใจและถ้าอันขอให้แกกลับแกก็คงจะกลับแม่เองถ้าได้ลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อไรแม่ก็คงจะมีความสบายใจเป็นที่สุดบางทีผมเองก็อาจจะหุนหันพลันแล่นไปหน่อยเรื่องจอรดแต่ผมก็ไม่เคยสบายใจเลยนับตั้งแต่แกออกจากบ้านถ้าคุณแม่เห็นว่าผมควรจะทำอย่างนั้น ผมก็จะลองเขียนหนังสือไปถึงเขาก่อนพรอยดีใจมากที่ตะอั้นพูดถึงน้องชายด้วยความรู้สึกสํานึกตัวและตั้งแต่นั้นมาพรอยก็ได้แต่เฝ้าคอยว่าตาอั้จะตอบพี่ชายว่ายังไงจะยอมกลับมาตามคําชักชวนหรือไม่และในที่สุดพรอยก็ได้รับหนังสือจากตาอั้ฉบับหนึ่งมีใจความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เรื่องที่พี่อันเขาเขียนมาชวนลูกกลับบ้านนั้นลูกได้เขียนตอบเข้าไปโดยตรงฉบับหนึ่งแล้วว่าขณะ น, นี้การงานของลูกกําลังพัวพันยังกลับไม่ได้อย่าหาว่าออสเล่นตัวหรือว่าอะไรเลยขอให้เห็นใจออสบ้างเพราะเมื่ออสลงมาทางใต้นั้นไม่มีความรู้อะไรเรื่องเมืองแรติดหลังมาเลยจึงต้องมาใช้เวลาศึกษาอยู่นานระหว่างนั้นเพื่อนของออเขาก็รับเลี้ยงเป็นอย่างดี มีให้อนาทรร้อนใจเดี๋ยวนี้ออสก็มีความรู้พอที่จะทำประโยชน์ตอบแทนให้เขาได้ถ้าหากจะทิ้งงานซึ่งกำลังจะเดินกลับบ้านเสฉยๆออสก็จะกลายเป็นคนอากตัญยูต่อมิตรผู้มีพระคุณออส ท, ทำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะทำด้วยเช่นนี้ญี่ปุ่นเขาถือใครขืนทำญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะต้องคว้านท้องกันเป็นแถวขอให้แม่เห็นใจออสเถิด ในใจจริงนั้นก็อยากจะกลับมาหาแม่เป็นที่สุดและขอให้แม่ไว้ใจออสว่าออสจะกลับมาในทันทีและในโอกาสแรกที่จะมาได้ระหว่างนี้ขอทำงานใช้นี่คนที่เขามีบุญคุณต่อไปอีกสักหน่อยพอวางมือได้อสก็จะมาแล้วก็ในฉบับเดียวกันนั้นเองนะคะก็มีข่าวไม่สู้ดีเกี่ยวกับตาอน้นซึ่งตาออสเขียนมาบอกว่าพี่อ้นย้ายเกาะเสร็จแล้ว เขาสั่งย้ายนักโทษการเมืองทั้งหมดออกจากเกาะตะรูเตาไปไว้ที่เกาะเต่าอีกฟากทะเลหนึ่งและนายว่าจะส่งนักโทษการเมืองจากกรุงเทพไปสมทบที่นั่นอ๋ อ, อได้พบกับพี่อ้นประเดียวเดียวขณะเดินทางผ่านไปเขากระซิบบอกว่าที่เกาะเต่านี้คงจะแย่เห็นจะไม่เหมือนตาลูเตาแต่จะจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูกันไปก่อนแม่อย่างพึ่งวิตกเผื่อเป็นอย่างไรต่อไปอ๋ อ, อจะเป็นคนบอกมาเอง แม่อย่าไปเชื่อใครทั้งสิ้นออสไม่ค่อยอยากเล่าอะไรต่ออะไรให้แม่ฟังเลยเพราะถ้าพูดไม่ดีก็รู้ว่าจะทําให้แม่ต้องร้องไห้ต่อไปนี้แม่ต้องทําใจขอให้เข้มแข็งอย่างที่เขาสอนกันอยู่ทุกวันเพราะเมืองไทยเราเป็นมหาอํานาจขึ้นมาแล้วถ้าแม่ได้พบลุงเพิ่มช่วยถามด้วยว่าฟังวิทยุหรือเปล่าออสฟังได้ข่าวว่าไทยตีเมืองเชียงตุงแตกวันนี้ พอรุ่งขึ้นนายเชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีเมืองอังกฤษก็ลาออกเลยเราเก่งพิลึกละพรอยอ่านหนังสือตะอดแล้วก็ร้องไห้ไปหัวเราะไปอย่างที่เคยทำเสมอแต่คราวนี้นะคะนอกจากจะผิดหวังที่ตะอดยังไม่ยอมกลับบ้านแล้วยังรู้สึกกังวลในโชคชะตาแล้วก็ชีวิตของตาอน้นซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกเมื่อตาอัานมาบอกข่าวว่า ตาออสยังกลับบ้านไม่ได้ตาอั้นก็พูดไปเปลยขึ้นว่าหรือออสเขาจะยังไม่หายกโกรธผมก็ไม่รู้ไม่ชิงหลอกอัน้นออสเขาเขียนบอกให้แม่ฟังเสียยืดยาวจดหมายก็ยังอยู่นี่ไม่มีเสียงว่าออสจะกโกรธอั้นเลยเขาติดเรื่องเกรงใจเพื่อนทางโน้นเท่านั้นเองคิดคิดไปก็ดีเหมือนกันที่ออสยังไม่กลับทําไมล่ะอัน้น ก็แม่เห็นอันพูดคราวก่อนว่าอยากจะให้ออดกลับทางผมนะี่ยไม่มีอะไรหรอกคุณแม่แต่ทางกรุงเทพทางบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรโรคหูโรคตาอยู่แต่ออดกลับมาจะทนไหวหรือไม่ไหวก็ไม่รู้ยิ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ด้วยอะไรโรคหูโรคตาแม่ก็ให้เขาคอยปัดกวาดอยู่เสมอดูก็เรียบร้อยดีนี่นาแต่อันหัวเราะไม่ใช่ของรคหรอกครับคุณแม่แต่คนมันรค ทำอะไรกันแ ป, กแปลกไม่เหมือนเมื่อก่อนผมกลัวต่ออ้อยแกจะรำคาญเท่านั้นเองแต่อันก็พูดจาแบบเป็นปริศนานะคะพ่อยซึ่งเป็นคนซื่อแล้วก็มองคนในด้านดีก็ตามไม่ค่อยทันอันหมายถึงใครกันแน่แต่อันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบบาบาๆว่า ก็นายเสวีลูกเขยของคุณแม่นั่นแหละตั้งแต่ญี่ปุ่นขึ้นนี่ดูผิดไปเป็นคนละคนวางกล้ามทำท่าใหญ่โตเป็นคนสนิทของญี่ปุ่นจนผมรำคาญแทบจะทนไม่ได้เนี่ยดูอันสิเวลาจะคบกันชอบกันแม่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยสักหน่อยพอไม่ชอบกันก็มาซัดว่าเป็นลูกเขยของแม่ราวกับว่าแม่เป็นคนไปหามาให้แต่อันหัวเราะ ผมเองก็ผิดอยู่มากในเรื่องนี้เสวีเข้ามาในบ้านนี้ได้ก็เพราะผมเกิดชอบใหญ่ประไพขึ้นมาผมก็ไม่ขัดข้องแต่เดี๋ยวนี้สังเกตดูประไพก็ไม่สู้จะมีความสุขนะักนั่นสิแม่เองก็หนักใจเหมือนกันไม่รู้จะทํายังไงดีจะทำอย่างไรได้เราเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่นั่งดูไปประไพทนได้ก็ทนไปทนไม่ไหว ก็ต้องแยกกันไปข้างหนึง่งอันก็เหมือนคนสมัยใหม่อื่นๆนั่นเองเ อ, อะอะก็ดีแต่จะแตกจะร้าวไม่ช่วยกันคิดสมานบ้างเลยถ้าเป็นคนอื่นที่สมานติดผมก็อยากจะสมานแต่จะให้ไปสมานน้ำกับไฟหรือขมิ้นกับปูนผมก็จนปัญญาว่าที่จริงประเพณของเรามันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่อันพูดทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้ทําให้พลอยต้องคิด แต่ตา อ, อั้นก็มีได้แสดงความเห็นอย่างไรต่อไปอีกสงครามกำลังเป็นไปจริงๆอย่างที่คุณเสวีคาดหมายทำนายเอาไว้ตั้งแต่แรกญี่ปุ่นดูจะได้ชัยชนะไปเสียทุกแห่งหนไม่ว่าจะเข้าตีที่ไหนมาลายูตกเป็นของญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงเกาะฟิลิปปินส์ชวาสุมาตราบอร์เนียว ตลอดจนพมา่าก็ตกเป็นของญี่ปุ่นอีกพรอยได้เห็นการพ่ายแพ้ของฝรั่งในหน้าหนังสือพิมพ์ก็เริ่มลังเลสงสัยว่าความรู้สึกของตนที่มีมาแต่ก่อนว่าฝรั่งนั้นเก่งอาจจะผิดพลาดไปก็ได้เพราะถึงคราวทดลองกำลังกันเข้าจริงฝรั่งก็แพ้ได้อย่างที่คุณเสวีว่าไว้เหมือนกันส่วนในเมืองไทยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มคุ้นเคยกับญี่ปุ่น ที่ไหนที่ไหนก็มีตทหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดทุกถนนทนทางกลายเป็นภาพประจำวันตามธรรมดาคนทั่วทวไปโดยเฉพาะเด็กๆมักจะพูดญี่ปุ่นเป็นบ้างประปรายนะคะสินค้าต่างๆที่ขาดแคลนลงก็มักจะไปหาได้ที่ญี่ปุ่นคนในบ้านที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนในความขาดแคลนต่างๆก็เห็นจะมีแต่คุณเสวีคุณเสวีมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าพลอยต้องการอะไรที่หาได้ยาก อย่างเช่นผ้าน้ำตาลน้ำมันรถยนต์คุณเสวีก็อาจจะหาได้จากญี่ปุ่นที่ชอบพอกันแต่ปรากฏว่าตาอั้นและพลอยนั้นไม่เคยยินดีที่จะรับของเหล่านี้จากคุณเสวีตาอัน้นอาจจะไม่รับเพราะทิฏฐิมานะแต่พลอยปฏิเสธด้วยความรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่ น, นด้วยความฟุ่มเฟื่อยในขณะที่คนอื่น อยู่ด้วยความขาดแคลนลำบากยากเย็นและพลอยยังไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณลูกเขยคนนี้ให้มากจนเกินไปด้วยวันหนึ่งพ่อเพื่อมาหาพลอยแล้วก็บอกว่าแม่พลอยเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ดูใหญ่โตเป็นมหาอำนาจพอๆกับญี่ปุ่นทีเดียวละก็ดีแล้วนี่คุณหลวงเป็นมหามิตรกันทั้งทีก็ควรจะใหญ่โตพอๆกันอะไรก็ช่างเถอะ ฉันกลุ่มใจเรื่องวัฒนธรรมนี้เท่านั้นเองดูท่าจะไปกันใหญ่ละคุณหลวงว่าอะไรนะวัดอะไรที่ไหนพรอยถามขึ้นเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พรอยได้ยินคําว่าวัฒนธรรมพลอยก็เลยโดนพ่อเพิ่มดุเอาซะเลยว่าแม่พรอยนี่ทําตัวเป็นคนหูป่าตาเถื่อนไปได้ไม่ใช่วัดวาอารามอะไรหรอกศัพท์ใหม่เรียกว่าวัฒนธรรม แปลว่าอะไรเอะคำนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันได้ยินแต่เขาบอกว่าถ้าเรามีไอวัฒนธรรมอะไรนี่แล้วเราก็จะเป็นมหาอำนาจเที่ยมบาเที่ยมไหลกับมหามิตรของเราได้แล้วเราจะมีได้ยังไงล่ะไอวัฒนธรรมอะไรนี่นะ่ะก็ต้องใส่หมวกฮยคุณหลวงเอาอะไรมาพูดพูดเหมือนเด็กๆพูดเล่นกันฉันยังมองไม่เห็นเลยว่า หมวกมันจะมาเกี่ยวด้วยที่ตรงไหนเอาจริงๆนะแม่พ้อยเมื่อใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่เกือบค่อยดูไปเถอะสนุกละก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยหมวกใครๆก็ใส่กันทั้งนั้นคุณเปรมเองก็เคยคลั่งหมวกห่างนกยูงใบละเท่าไหร่ก็ซื้อคุณหลวงเองก็ใส่หมวกฉันเห็นแต่เด็กหนุ่มๆสมัยนี้เท่านั้นละที่ไม่ค่อยจะใส่หมวกกัน ใส่เสียทีก็ดีเหมือนกันนะจะได้กันแดดกันนายได้แม่พรอยยังไม่เข้าใจตลอดเขาไม่ได้สั่งให้ใส่แต่ผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็ต้องใส่หมวกด้วยผู้หญิงผู้หญิงจะไปใส่หมวกได้ยังไงหรือว่าจะให้ใส่หมวกเหมือนแบ ม, มก็อย่างนั้นและแม่พรอยอืมสาวๆคงจะชอบกระมังเดี๋ยวนี้เขาก็แต่งตัวจนเกือบจะเป็นแม่มกันอยู่แล้ว เพราะดีที่ฉันแก่แล้วไม่งั้นต้องกลายเป็นแม่มไปด้วยที่ไหนได้แม่พร้อยนั่นแหละตัวจะต้องกลายเป็นแม่มไปด้วยละเขาไม่ได้บอกให้ใส่แต่สาวๆหรอกนาะสาวแก่แม่ไม้ ก, ก็ต้องใส่หมวกด้วยกันทั้งนั้นตายฉันทําไม่ได้หรอกอายเขาตายเมื่อยังสาวๆท่านเคยให้ใส่แต่เวลาออกนอกบ้านเข้าทุ่งเข้าป่าเท่านั้นแต่อย่างนั้นก็ยังหัวเราะขันกันออกจะตายไปคอยดูไปก่อนละกัน ฉันได้ยินเขาว่าต่อไปใครไม่ใส่หมวกก็ออกจากบ้านไม่ได้ทีเดียวเขาบอกว่าโปริจะจับพรอยนั้นเป็นคนที่ไม่เคยได้ออกจากบ้านไปไหนมาไหนอยู่แล้วพอได้ยินพ่อเพิ่มพูดอย่างนั้นก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่ออกจากบ้านอีกจนตายเพราะไม่สามารถนึกเห็นหน้าตัวเองในวัย น, นี้ภายใต้หมวกอย่างแม่มได้แต่ประภัยนั้นดูไม่เดือดร้อนอะไรเลยใส่หมวกแบบต่างๆไปไหนมาไหนเป็นปกติ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะตั้งใจเลือกแล้วก็สแสวงหาหมวกแบบใหม่ๆทันสมัยมาใส่อยู่ได้เป็นประจำเกือบจะไม่มีซ้ำประภยัยประภัยไม่รู้สึกลำคาญบ้างเหรอต้องใส่หมวกอยู่ทั้งวันนะลูกไม่ลำคาญหรอกค่ะคุณแม่ใครๆเขาก็ว่าหน้าภัยรับกับหมวกใส่แล้วทําให้สวยขึ้นว่าแต่คุณแม่เถอคะค่ะ เมื่อไรจะลองใส่ดูบ้างภไยจะหามาให้หมวกที่ภไยใส่แล้วก็ยังมีอีกตั้งหลายใบไม่เอา้าบ้าไปคนเดียวเถอะยายประไพเอี่ ย, ยามาพาแม่ให้บ้าไปหน่อยเลยคุณแม่ก็ช่างไม่มีวัฒนธรรมเสียบ้างเลยระวังให้ดีเถอะจะถูกตำรวจจับสักวันหนึ่งประไพหัวเราะแซวแม่อย่างอารมณ์ดี ตั้งแต่นั้นมาเรื่องหมวกก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าตกใจใครๆก็พูดถึงกันแต่เรื่องหมวกนะคะผู้หญิงสาวจะไปนั่งคุยกันเรื่องหมวกทรงต่างๆว่าทรงไหนจะงามทรงไหนจะทันสมัยคนที่ไม่ชอบใส่หมวกก็คุยกันเรื่องความรําคาญของตนที่จะต้องใส่หมวกร้านรวงต่างๆก็พากันโฆษณาขายหมวกก็เป็นการคลึกโครมทางราชการเองก็พูดถึงแต่เรื่องหมวกทางวิทยุ ชี้ให้เห็นว่าหมวกนั่งเป็นของสำคัญถึงขนาดมาลานำไทยไปสู่มาหาอำนาจซึ่งพลอยได้ฟังแล้วก็ได้แต่สะท้อนถอนใจวันหนึ่งพลอยนั่งเล่นอยู่คนเดียวที่สนามหญ้าหน้าตึกในตอนบ่ายเห็นใครเดินเข้าประตูบ้านมาใส่หมวกปีกใหญ่ก็เพ่งตามองดูพระจำไม่ได้ จนคนคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ตัวพลอยจึงจำได้ว่าเป็นคุณเฉยแหมคุณเชยแต่งแหม่มแล้วแปลกไปจนฉันจำไม่ได้เลยทีเดียวนั่นนะสิแม่พลอยฉันเองก็ ก, กระดากใจไม่กล้าออกจากบ้านไปหลายวันทีเดียวแต่ก็จะทำยังไงได้ฉันมันต้องไปไหนมาไหนทำมาหากินนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆก็อดตาย ท่านบอกให้ใส่หมวกฉันก็ต้องใส่แต่ก็มีใบเดียวกับเขานี่แหละล้วงโอสดเขาไปซื้อมาให้พอฉันใส่เข้าจริงคนซื้อกับหัวเราะงอหายฉันกุ้มใจจะตายไปแล้ววันนี้คิดถึงแม่พลอยออกมาธุระก็เลยแวะมาเยี่ยมมาถามข่าวแม่พลอยว่ามีหมวกกับเขาบ้างหรือยังยังเลยคุณเชยตั้งแต่เขาบังคับให้ใส่หมวกฉันก็เลยไม่ออกจากบ้านธรรมดาฉันก็ไม่ค่อยจะไปไหนอยู่แล้ว แม่พรอยนี่เป็นคนเปลี่ยนอะไรยากตลอดมาฉันจำได้เมื่อครั้งนุ่งสิ้นกันใหม่ๆแม่พรอยก็วีดว้ายอยู่ตั้งนานถึงได้ยอมนุ่งความจริงไอ้ใส่หมวกนะี่มันก็ดีอยู่รกักถ้าใบโตๆอย่างของฉันมันก็กันแดดได้เสียอย่างเดียวแต่พอขึ้นสามล้อมันก็จะติดลมปลิวไปซะให้ได้ต้องเอามือขึ้นจับพอเอามือจับหมวกล้มก็ตีผนุ่มเปิดข้างล่างหมดวัฒนธรรมไปอีก ยุ่งจริงๆทีเดียวคุณเชยพูดอย่างขบขันแล้วก็เอามือปิดปากหายอยู่นานแม่พลอยขอหมากกินสักคาเถอะฉันออกจากบ้านแต่เช้าไม่ได้กินหมากเกือบทั้งวันทั้งเปรียวปากทั้งง่วงจะตายอยู่แล้วพลอยเลื่อนเช่นหมากที่วางอยู่ข้างตัวอีกด้านหนึ่งให้คุณเชยเอา้าวแล้วทําไมเดี๋ยวนี้คุณเชยไม่ถือกระเป๋าหมากแล้วหรือถืออะไรได้ล่ะแม่พลอย เดี๋ยวนี้เขาห้ามกินหมากเด็ดขาดทีเดียวทีแรกฉันนึกว่าจะต้องใส่เพียงหมวกให้เหมือนแหม่มแต่เดี๋ยวนี้ต้องเลิกกินหมากแล้วก็ขัดฟันขาวให้เหมือนแหม่มด้วยจริงหรือนี่คุณเชยโธ่คำเว้นแท้ๆทีเดียวฉันไม่นึกเลยว่าจะต้องอยู่ไปจนกระทั่งได้พบได้เห็นอะไรไปแปลกๆถึงเพียงนี้ฉันเองก็ไม่นึกเหมือนกันแม่พลอยเอ้ยแต่ก็ดีเหมือนกัน ที่ได้อยู่มาจนเห็นอะไรแปลกๆ แ, แ, แบบนี้สนุกดีออกคุณเชยหยิบกระถน r ไปบ้วนน้ำหมากแล้วก็พูดตอบนานๆได้กินหมากสักคำนึงก็เลยอร่อยจับใจฉันไม่อยากบ้วนไม่อยากคายเลยอยากจะกลืนมันหายเข้าไปทั้งคำนี่ตอนก่อนกลับบ้านฉันก็ต้องล้างปากถูฟันให้หมดจดออกกลางถนนและมีรอยน้ำหมากจับไม่ได้นะฉันกลัวแล้ว ความจริงพลอยก็ไม่ใช่คนที่กินหมากมากมายอะไรนะักวันหนึ่งจะกินก็ไม่กี่คำแล้วก็ขัดฟันขาวมากเสียแล้วตั้งแต่สมัยเปลี่ยนจากผ้าจงกระเบนมาเป็นผ้าสิ้นแล้วก็เริ่มไว้ผมยาวแต่พอ ร, รู้แน่ว่าหมากเป็นของต้องห้ามหมวกก็กลายเป็นของที่มีความสำคัญขึ้นมาทันทีต้องคอยดูแลระมัดระวังม่ให้ขาดได้แต่นับตั้งแต่วันที่ได้รู้ข่าวห้ามกินหมากเป็นต้นมา หมากพลูก็กลายเป็นของหายากเพราะว่าห้ามไม่ให้ขายกันเหมือนแต่ก่อนหมากพลูเปลี่ยนสภาพจากของธรรมดาเป็นของผิดกฎหมายเหมือนฝิ่นเถื่อนหรือว่าเหล้าเถื่อนต้องแอบขายหรือว่าให้กันในที่ลับวิธีที่จะนําหมากพลูมาสู่ตลาดก็ต้องทําแบบของเถื่อนก็คือต้องปกปิดซ่อนเร้นอย่างมิดชิดมิให้ผ่านสายตาเจ้าพนักงานนะคะแม่ค้าก็ กลายเป็นคนค้าของเถื่อนไปมีการพูดจากันซุบซิบแล้วก็มอกกันด้วยสายตาเป็นสัญญาณลึกลับว่าที่ไหนจะมีหมากขายที่ไหนจะมีพรูขายในเรื่องหมากพลูที่กลายเป็นของเถื่อนนี้ช้อยดูเหมือนจะสนุกกว่าเพื่อนแล้วก็ช้อยเองเนี่ยก็มีวิธีการหลายอย่างที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมโดยไม่เสียหลักปฏิบัติเดิมของตนแต่อย่างใดวันหนึ่ง พลอยนั่งอยู่ที่ชั้นล่างของตึกในตอนสายเห็นช้อยเดินเข้าบ้านมาแต่งตัวถูกต้องตามวัฒนธรรมคือใส่หมวกนุ่งผ้าถุงในมือถือห่อของอยู่บางอย่างพลอยเห็นช้อยเดินเข้ามาที่ตึกก็ดีใจพอจะออกปากร้องทักให้รู้ว่าตนอยู่ข้างล่างช้อยก็ทำการบางอย่างที่ทำให้พลอยต้องร้องวายขึ้นลั่นด้วยความตกใจเพราะนึกว่าช้อยเสียสติไปแล้วแน่ สิ่งมหัศจรรย์ที่ช้อยกำลังทาก็คือหยุดยืนที่ริมตึกวางห่อข อ, องลงที่ขั้นบันไดถอดหมวกวางบนห่อข อ, องแล้วช้อยก็เริ่มปลดผ้าถุงออกจากตัวอย่างหน้าตาเฉยที่สุดเหมือนกับว่าการแก้ผ้าในที่เปิดเผยกรางวัลแสกๆนั้นเป็นของธรรมดาพลอยตกใจแทบสิ้นสติตัวเย็นวาบไปทั้งตัวแล้วพอร้องอุทานออกบานดังๆแล้วพลอยก็จ้องมองไปทางช้อยอีก ทันใดนั้นพลอยก็เริ่มหัวเราะแล้วก็ต้องหัวเราะอีกจนน้ำตาไหลด้วยความขบขันตนเองและก็ขบขันชอยเพราะว่าปรากฏว่าภายในผ้าถุงที่ชอยนุ่งมาเพื่อรักษาวัฒนธรรมระหว่างเดินทางนั้นชอยได้นุ่งผ้าลายจงกระเบนอย่างที่เคยนุ่งมาแต่ก่อนอีกผืนหนึ่งเอาไว้อย่างเรียบร้อยชอยได้ยินเสียงพลอยหัวเราะลั่นอยู่ในห้องชั้นล่างของตึกก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็บอกว่า นั่นเป็นอะไรไปล่ะพลอยนั่งหัวเราะคนเดียวเป็นบ้าไปแล้วเหรอเปล่าฉันเห็นเออฉันนึกว่าช้อยเป็นบ้าไปแล้วซะอีกแล้วกันฉันมาหาดีๆกลับมาหาว่าเป็นบ้าเดี๋ยวก่อนแมบบ่พลอยตั้งสติอารมณ์ให้ดีๆก่อนแล้วค่อยพูดกันนี่แม่พลอยมีอาการอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ็บเป็นอะไรไปหรือเปล่าทําไมไม่มีใครบอกฉันบ้าง คือพลอยตอนนั้นเนี่ยหัวเราะงอหายนะคะยิ่งฟังคําพูดของช้อยพลอยก็ต้องหัวเราะต่อไปจนเสียดท้องกว่าจะหยุดหัวเราะไม่เป็นไรหรอกช้อยฉันไม่ได้เจ็บอะไรหรอกพลอยพูดอย่างอ่อนใจกับช้อยซึ่งลงมานั่งมองพลอยด้วยไม้ใบหน้าที่สมเพศเสียเต็มประดานะคะสมเพศที่พลอยเนี่ยหัวเราะอยู่ได้ฉันได้เห็นช้อยถอดผนุ่งออกที่ข้างตึกฉันก็นึกว่าช้อยนี่เป็นบ้าไปซะแล้ว ลูกขึ้นแก้ผ้ากลางแจ้งแต่พอเห็นผ้าจงกระเบนอยู่ข้างในฉันก็เลยหัวเราะแล้วพอชอยเข้ามากลับมาหาว่าฉันนะเป็นบ้าฉันก็เลยยิ่งกลั้นหัวเราะไม่ได้ใหญ่ฉันแก้ผ้าถอดผ้าถุงชอยพูดอย่างงงงแล้วก็พอนึกเรื่องราวได้ชอยเองก็เลยต้องหัวเราะจนงอหายไปเหมือนกันฮ่อ ช้อยร้องพลางก็เช็ดน้ำหูน้ำตาก่อนจะบอกว่าแต่จะว่าไปมันก็เหมือนกับคนบ้าจริงๆนั่นแหละพลอยชั่วแต่ว่าไม่ได้บ้าไปแต่ฉันเพียงคนเดียวคนอื่นๆน่ะก็บ้ากันทั้งเมืองนี่วันนี้ฉันมีของมาฝากช้อยพูดแลยก็หยิบห่อของมาแก้ออกนะคะส่งให้พลอยอะไรหรออย่าพูดดังไป ช้อยลดเสียงต่ำเหมือนเสียงกระซิบแล้วก็เปิดห่อแรกซึ่งดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแต่เพียงผลลูกเงาะแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะคะแต่ใจกลางนั้นมีหมากดิบปอนอยู่หลายลูกคือซ่อนเอามาฉันได้มาใหม่คิดถึงแม่พลอยก็เลยเอามาให้เดี๋ยวนี้ะหมากดิบหายากออกช้อยพูดแล้วก็แก้หออีกห่อหนึ่งในนั้นมีของอื่นอยู่เต็มนะคะแล้วช้อยก็เอามือสอดเข้าไปในหอ่อ ด้วยอาการลึกลับล้วงเอาใบพลูออกมาอีกห่อหนึ่งแก้ห่อออกให้พลอยดูแล้วก็กระซิบบอกว่านี่ไงพลอยใบเหลืองน่ากินออกรีบหาน้ำพรมเสียหน่อยฉันซุกไว้นานจะกลายเป็นพูนาบอยู่แล้วโทช้อยไม่น่าจะต้องลำบากถึงเพียงนี้เลยฉันก็พอจะหากินอยู่ได้หรอกหมากรพลูทำไมถึงจะต้องซุกซุกซ้อนซอนเอามาให้ ถึงจะมีกินก็คงจะขนาดหมากแห้งพลูนาบจะไปอร่อยอะไรฉันได้ของจริงๆมาก็เลยต้องเอามาฝากเก็บไว้กินเถิดความจริงที่เขาห้ามไม่ให้กินหมากกินพลูนี่ก็ดีเหมือนกันนะทำให้กินหมากอร่อยขึ้นอีกเป็นกองเพราะต้องแอบกินไม่ให้ใครเห็นเวลานี้ฉันรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีความชั่วอะไรลึกลับที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ เหมือนกับติดฟิ่นหรือว่าเล่นเพื่อนอะไรทํานองนั้นเลยทีเดียวแต่ก่อนไม่ค่อยมีความชั่วช้าอะไรที่จะต้องปิดบังก็เลยดูเกะยๆยไปเดี๋ยวนี้เห็นตัวเองสาคัญขึ้นเองเป็นกองคนเราเวลาที่ทำอะไรห ล, หลบหลบซ่อนๆแน่นอนนะคะก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าปล่อยฟังแล้วก็หัวเราะบอกกับชอยว่า ชอยนี่ก็ช่างหาอะไรมาพูดให้วิตฐานได้ทุกเรื่องสินาะว่าแต่หมู่นี้หายไปไหนนานไปมัวทำอะไรอยู่ฉันนึกว่าตายไปแล้วซะอีกคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีตายง่ายๆหรอกพลอยแต่หมูน่นี้งานการเต็มมือก็เลยไม่ค่อยได้มาหาชอยไป ม, มีงานการอะไรกับเขานักหนาะ ก็เย็บหมวกขายส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างไรล่ะหล่อนก็เดี๋ยวนี้ใครๆในวังเขาก็ทําหมวกขายกันทั้งนั้นกําไรดีออกทําขายไม่ทันเสอีกพวกโขนเขาก็นั่งเหล่าไม่ไผ่ตะบิดตะบอยสารเป็นหมวกขายใบหนึ่งได้ตั้งหลายบาทฝ่ายชั้นมันไม่มีปัญญาถึงขนาดนั้นบลอกหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นก็เลยทําเอาง่ายๆแบบนี้ ฉันนํามาฝากแม่พลอยใบหนึ่งไปไหนมาไหนจะได้ใส่กับเขาบ้างพอกันถูกจับชอยยื่นหมวกใบเล็กกระทัดรัสมาให้นะคะพรอยก็รับมาพิจารณาเห็นทําด้วยวัตถุที่แปลกก็ถามว่าทําด้วยอะไรอ่ะช้อยน้าเอ็นดูดีออกบวบัวแห้งๆนี่แหละใส่แล้วเบาหัวลืมได้เลยไม่รู้ตัวว่าใส่หมวกมันดีอยู่ที่ตรงนี้แม่พรอยเก็บเอาไวเ้เถอะ จวนตัวเข้าจะได้เก็บเอาไว้ใช้หมวกใบนี้ก็เลยกลายเป็นหมวกใบแรกและก็ใบเดียวที่พลอยมีในสมัยวัฒนธรรมค่ะพลอยอดสงสารช้อยไม่ได้ในเรื่องของวิถีทางแห่งชีวิตที่แตกต่างกับของตนเป็นหนักหนาเพราะว่าช้อยนั้นต้องหาโอกาสทํา ม, มาหากินอยู่ทุกเมื่อใครเขาทําอะไรนิยมอะไรช้อยก็ต้องโอนอ่อนไปตามเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างเช่นการสวมหมวกคราวนี้เป็นต้นนะคะ พอลอยถามชอยว่าช่างไม่เลือกงานที่จะทําเสียบ้างเลยชอยก็บอกว่าเลือกไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องเลือกเพราะว่าคนที่ยังเหลืออยู่ในวังตอนนี้ก็เป็นประเภทเดียวกับชอยซะเป็นส่วนมากคือทางไหนที่พอจะทําได้ไม่เหลือบากว่าแรงก็ต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินชอยเองก็เป็นคนที่ชอบทางานอยู่เฉยๆก็เหงาชอยบอกว่า นั่งคิดนอนคิดไปก็จะตายเร็วเสียปเปล่าถ้ามีอะไรทําแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์จะได้เงินมากเงินน้อยก็ไม่ว่าขอให้ได้มีอะไรก็พอฉันดูไปแล้วก็สงสารคนในวังตอนนี้คนที่ยังเหลืออยู่บางคนแต่ก่อนที่เราเคยเห็นเห็นกันมาก็ยังหรูหราอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่เก่าอยู่นั่นเองเจ็บไปแก่ไปจนไปจะทำอะไรก็ไม่ไหวเพราะเคยเป็นผู้ดีมานาน ได้แต่นอนบรอความตายไปวันหนึ่งหนึ่งฉันอยู่ไม่ได้หรอกแบบนั้นนะ่ะชอยคิดดูบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนนี้ไม่ว่าอะไรก็ออกมาจากข้างในวังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวน้ำอบของกินของเล่นในวังเริ่มก่อนแล้วข้างนอกก็ตามอย่างเมื่อเราสาวๆมักจะทำอะไรก่อนคนอื่นเสมอของใช้เราก็มีใหม่ๆก่อนคนข้างนอกเขาเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแบบไหน เราก็เริ่มกันก่อนแล้วข้างนอกก็ค่อยๆตามไปจนใช้เหมือนกันทั่วกันไปหมดฉันยังจําได้เลยเมื่อครั้งตามเสด็จบางไปอินพวกผู้หญิงชาวบ้านที่เขาพายเรือมาขายของแถวที่จอดเรือเครื่องเขาชอบดูพวกเราชาววังดูแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชมว่าแต่งตัวงามเหมือนกับละครที่เขาเล่นดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแต่พอคุ้นกันหนักเข้าพวกชาวบ้านสาวสาว เขาก็จำแบบไปแต่งตัวจนดูสวยงามพอๆกับเราไปบ้างเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาไปเริ่มแบบเริ่มแผงกันที่ไหนจะดูใครเป็นแบบอย่างก็หาดูไม่ได้ถึงอยากจะตามเขาเราก็ตามไม่ทันผิดกับแต่ก่อนซะจริงๆเชียวก็จริงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยของทุกอย่างเริ่มมาจากราชสำนักนะครับชอยก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่พลอย แต่ก่อนผู้มีบุญวาสนาท่านอยู่ในวังกันทั้งนั้นอะไรๆก็ต้องออกมาจากในวังก่อนเป็นธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้ในวังมีใครอยู่ละ่ะก็มีแต่แก่แก่อย่างฉันอยู่กันไม่กี่คนใครก็จะมามองให้เสียเวลาคนเขาก็จะต้องไปเที่ยวจ้องมองผู้มีบุญวาสนาในที่อื่นแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอะไรกันง่ายดีท่านจะเอาอย่างไรท่านก็สั่งเอาปุบปับใครไม่ทาก็จับเลยสะดวกดีเหมือนกัน ไม่ต้องเสียเวลาคิดมัวอ oh, ้อยอิ่งดัดเจริตว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีอย่างแต่ก่อนฉันมันคนใจเร็วฉันก็ชอบอย่างนี้แหละชอยนี่ทันสมัยอยู่เสมอทีเดียวนะค่ะอีชา น, นี่แหละตัวตามผู้นำละอีกหน่อยฉันจะไปสมัครเป็นทหารหญิงกับเขาบ้างกลัวแต่เขาจะไม่รับเท่านั้นเพราะมันแก่ไปถ้าเป็นสาวสาวเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ คอดูฝีมือชันบ้างสิฉันจะหัดทหารให้สนุกเชี่ยวและวชอยก็หัวเราะชอบใจกับคําพูดของตัวเองอย่างคลื่นเครงทําให้พลอยต้องหัวเราะไปด้วยในตอนบ่ายก่อนที่ช้อยจะกลับเข้าวังระหว่างที่ให้เด็กไปตามรถสามล้อชอยก็เริ่มแต่งตัวสําหรับเดินทางก็คือกลับมานุ่งผ้าถุงนะคะทับผ้าโจงกระเบนแล้วก็ใส่หมวกธรรมะธรรมแงก่อนที่ช้อยจะก้าวขึ้นสามล้อที่มาจอดรอยอยู่หน้าตึก รเราให้ชอยฟังถึงปัญหาของคุณเชยในการขึ้นสามล้อว่าต้องใช้มือหนึ่งถือของอีกมือหนึ่งก็ต้องจับหมวกไม่ให้ปลิวบ้างจับผ้าถุงไม่ให้เปิดบ้างอ้าคุณเชยเธอต้องมาเรียนกับฉันซั้นแล้วชอยพูดพลางก้าวขึ้นนั่งบนสามล้ออย่างองอาจแล้วก็ปลดได้เส้นยาวสองเส้นที่ม้วนเนบเอาไว้ข้างหมวกลงมา ได้สองเส้นนั้นยาวมากยาวเกินกว่าที่จะใช้รัดคางอย่างธรรมดานะคะแล้วชอยก็บอกว่านี่ไงแม่พลอยมาดูนี่สิอะไรกันน่ะชอยสายระยงระยางอะไรฉันไม่เข้าใจสายนี่น่ะสำหรับควบคุมบังคับหมวกให้ตามท่านผู้นำมิให้ปลิวไปทางอื่นเวลาขึ้นนั่งรถก็ปล่อยสายนี้ลงมาเอามือรวบกำเอาไว้ แต่เพราะสายมันยาวฉันก็ใช้มือนั่นแหละกลุ่มผ้าถุงไม่ให้เปิดมือเดียวใช้การได้สองอย่างส่วนอีกมือนหนึ่งก็ว่างเอาไว้ใช้แสดงบทได้ว่าแล้วชอยก็โบกมือที่ว่างนั้นให้พลอยดูแล้วก็โบกมือไปข้างหน้าเหมือนกับท่าละครรำร้องบอกคนถีบสามล้อว่าไปได้รถสาล้อพาชอยแล่นหายลับตาไปแล้ว พลอยก็ยังนั่งยิ้มขบขันในความคิดและคำพูดแปลกๆของช้อยอยู่ไม่หายยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นความสาคัญของช้อยมากขึ้นเพราะในยามที่อึดอัดครับคล้องใจในยามที่มีกังวลช้อยก็เป็นคนที่ให้ความสว่างให้คำคมหรือความเห็นแปลกๆซึ่งแม้พลอยเองจะไม่เห็นด้วยก็ทำให้ใคลายอารมณ์ลงได้เสมอในยามที่ทุกคนกาลังอึดอัด อ, อยู่ด้วยสถานการณ์อันเคร่งเครียด ด้วยการตามท่านผู้นำมิให้พลาดในยามที่ทุกคนกัดกรุ่มอยู่ด้วยสงครามที่ก่อให้เกิดภาวะคับขันชอยก็สามารถด้วยกิริยาวาจาเพียงไม่เท่าไหร่ที่จะทำให้ภาวะคับขันนั้นกลายเป็นภาวะขบขันไปได้จากนั้นไม่นานพลอยได้รับจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากตาออด ซึ่งก็ททำให้พลอยบังเกิดความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเพราะตาอดเขียนมาว่าลูกมีข่าวดีจะบอกให้แม่ทราบว่าบัดนี้การงานที่ลูกทำอยู่นั้นเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยเป็นผลดีพอที่ลูกจะวางมือมาเยี่ยมบ้านได้ฉะนั้นในเวลาราวๆอีกเดือนหนึ่งลูกจะกลับมาหาแม่และจะมาอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ลูกดีใจมาก แล้วก็นั่งนับวันนับคืนเพื่อจะให้ถึงเวลาเร็วๆขอให้ทูนหัวของลูกอดใจรอไปอีกหน่อยแล้วลูกจะมาอยู่ด้วยนานๆให้สมกับที่คิดถึงพรอยดีใจมากนะคะอ่านหนังสือตะอ๊อสแล้วก็ทวนต้นอ่านใหม่ให้แน่ใจว่าตาของตนเนี่ยมีได้ฝาดไปจนหลอกลวงตัวเอง เมื่อแน่ใจแล้วก็ได้แต่นั่งยิ้มแล้วก็คิดแบ่งเวลาเดือนหนึ่งข้างหน้าสำหรับจัดห้องหับเตรียมการเอาไว้รับลูกชายที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านพลอยเริ่มคิดถึงของกินของใช้ต่างๆที่ตาอ๊อดชอบนั่งใช้ความจำนึกว่าตาอ๊อดชอบอะไรแล้วก็จะอยากกินอะไรบ้างเสื้อผ้าสำหรับแต่งอยู่กับบ้านนั้นป่านนี้ตาอ๊อดก็คงเอาไปใช้ที่บ้านนอกเสยเก่าแก่ผุพังเต็มที่ทางที่ดี พลอยก็ควรจะหาตัดเย็บเอาไว้ให้ใหม่แต่ทั้งเสื้อผ้าแล้วก็แพรก็หายากเหลือเกินจะถูกแพงอย่างไรก็ไม่ว่าแต่นี่เกือบจะหาไม่ได้ออกซะเลยคือมีเงินก็ยังหาไม่ได้นะคะพลอยคิดจะลองพูดกับคุณเสวี v, ลองวานให้เขาหาให้แต่มานึกอีกทีถ้าแตออรู้ว่าพลอยได้ผ้ามาจากคุณเสวี v, ก็อาจจะไม่ยอมใส่เอาอีกหรือว่า บางทีเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วนานประกอบกับความดีใจที่ได้กลับมาเห็นหน้าแม่และหน้าพี่น้องอาจจะทําให้ตออดหายจากความขุนข้องหมองใจลงไปได้บ้างกระมังพอตาอันกลับมาบ้านในตอนบ่ายพลอยก็รีบบอกข่าวดีแต่อันเองก็ดูเหมือนจะโล่งอกคุณแม่คงจะดีใจมากผมเองก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าระหว่างที่ออดหายหน้าไปนาน ผมก็อดคิดถึงไม่ได้อันยังไม่ลืมเรื่องที่พูดไว้กับแม่ไม่ใช่เหรอลูกเรื่องอะไรคุณแม่อา้าวก็เรื่องที่อันเคยพูดไว้กับแม่เรื่องอยากให้ออสกลับมาอยู่ที่ทางบ้านอย่างไรละ่ะอ๋อเรื่องนั้นออสกลับมาคราวนี้ผมจะลองพูดกับเขาดูอีกทีถ้าคุณแม่ช่วยพูดอีกคนบางทีเขาก็จะเปลี่ยนตกลงอยู่บ้านไม่กลับไปอีกก็ได้แม่ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าอันรักน้องแม่ก็ขอให้ลองพยายามพูดกับเขาอีกทีออสไม่ใช่คนพูดยากหรอกนะถ้าพูดให้ถูกใจแล้วก็ง่ายนิดเดียวแม่เองก็จะช่วยพูดให้เขาอยู่เหมือนกันผมว่าสำคัญอยู่ที่คุณแม่คนเดียวถ้าคุณแม่ออกปากขอเขาตรงๆที่ไหนออสจะขัดได้แต่เอาเถิดผมเองก็จะพูดกับเขาให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งเพราะสงครามยิ่งเข้าระยะนี้ผมก็ยิ่งห่วงแล้วก็วิตกมากขึ้น ไม่อยากให้พี่น้องไปอยู่ไกลกันพรอยมองดูตาอั้นด้วยความรักและด้วยความสบายใจที่เห็นตาอัานเริ่มมีจิตใจเผื่อแผ่ต่อน้องชายไม่เคร่งคัดเหมือนเมื่อก่อนคนที่พรอยเห็นว่าดีใจกับข่าวนี้พอๆพอกับพรอยก็ไม่ใช่ใครนะคะคือพ่อเพิ่มนั่นเองแม่ดีจริงแม่พรอยฉันดีใจจริงๆ ระหว่างพ่อออสไม่อยู่นี่ฉันไม่มีเพื่อนพูดเพื่อนคุยสนานคุยกับใครก็ไม่ถึงอกถึงใจเหมือนคุยกับพ่อออสระหว่างที่พลอยนั่งคอยนอนคอยตะออสอยู่อย่างใจเต้นนั่นเองวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็มาหาคือพ่อเพิ่มเนี่ยมาหาก่อนกำหนดที่ต่ออสบอกไว้ว่าจะออกเดินทางสักสิบกว่าวันนะคะ แล้วก็พูดในเชิงปลารบว่าแม่พ้อยน้ำปีนี้ถ่าจะมากผิดปกติเสียแล้วละงั้นหรือคุณหลวงครั้งปีมะเสงที่น้ำท่วมใหญ่นั้นก็ดูนานเต็มทีกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้ยี่สิบห้าปีพอดีคราวนี้ฉันได้ยินคนพูดว่าคงจะท่วมพอๆกันกับครั้งนั้นคิดๆ ด, ดูก็แปลกคราวปีมะเสงนั้น พิ่งเสร็จสงครามไปใหม่ๆคราวนี้น้ําก็จะมาท่วมตอนมีสงครามอีกดูเหมือนว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั่นมีเป็นระยะระยะไปพวกญาติข้างเมียฉันที่เป็นชาวสวนก็บอกก่าพวกสวนทุเรียนกําลังทําทํานกทนํานกเตรียมเอาไว้อย่างแข็งแรงถ้าท่วมขนาดปีเมื่อเส็งก็คิดว่าพอจะรับไหวอยู่ถ้าขนาดนั้นฉันก็คงไม่เป็นไรเพราะข่าวนั้น ทางบ้านนี้น้ำท่วมไม่ถึงคุณหลวงและคุณเชยนั่นแหละจะลำบากเพราะบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำฉันไม่เป็นบล็อกแม้พลอยฉันกลับชอบซะอีกเดินดินแห้งๆมานานลอยเรือบ้างซะกด็ดีปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาระดับน้ำท่วมก็สูงขึ้นทุกวันพลอยนั่งอยู่ที่บ้านก็มีคนมาส่งข่าวไม่เว้นแต่ละวันว่าน้าท่วมที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง พลมองข้ามถนนไปดูน้ำในคลองก็เห็นขึ้นเต็มจนล้นปริีแต่ถนนหน้าบ้านนั่นเองเป็นทํานบกั้นน้ําเอาไว้มิให้น้ําไหลเข้ามาในบ้านวันหนึ่งพลอยก็จะรับโทรเลขซึ่งทําให้ต้องถอนใจใหญ่ด้วยความผิดหวังโทรเลขนั้นมีใจความว่าน้ําท่วมทางรถไฟขาดยังมาไม่ได้ต้องรอน้ำลดออส และในคืนวันนั้นเองน้ำในคลองก็ล้นข้ามถนนไหลเข้ามาในบ้านก็เรียกว่าพลอยนี้ก็เจอะเจอน้ำท่วมเหมือนกับอุทกภัยปี54ของเรานะคะอันนี้ปี2485ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่การึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวระดับน้ำท่วมนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะภายในเวลาไม่เท่าไหร่ชั้นบนของตึกที่พลอยอยู่ก็กลายเป็นเกาะ มีน้ำล้อมรอบพรอยได้แต่นั่งดูระดับน้ำที่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยหัวใจอันไม่สบายนะคะเพราะน้ําที่ไหลเข้ามาในบ้านนั้นเป็นอุปสรรคอันเดียวที่กางกั้นตาอ็อดมิให้กลับคืนมาสู่บ้านตอนแรกก็คาดหมายกันว่าน้ําคงจะมากผิดฤดูการไปแค่เล็กน้อยแล้วก็คงจะท่วมอยู่ไม่กี่วันเพราะฉะนั้น ในระยะแรกๆเนี่ยน้ำท่วมก็เลยกลายเป็นเรื่องสนุกของคนกรุงเทพซึ่งเฉวยโอกาสพายเรือเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะโดยเฉพาะคนหนุ่มหนุ่มสาวสาวแต่ปรากฏว่าพอนานเข้าน้ำก็ไม่ได้ลดลงอย่างคาดอย่างคงท่วมในระดับสูงทำให้การคมนาคมต้องใช้เรือเป็นส่วนมากการเล่นเรือก็เบาลงไปเพราะว่าหมดสนุกไปประการหนึ่ง และเรือก็กลายเป็นของจำเป็นไปมิใช่ของเล่นอีกประการนความคาดหมายของพลอยก็ว่าน้ำคงจะท่วมอยู่ไม่กี่วันเหมือนกับคนอื่นแต่ความคาดหมายนั้นก็ผิดความหวังที่ว่าตาอ๊อจะกลับมาบ้านได้โดยเร็วก็เลื่อนลอยไปสิ่งที่ทำให้พลอยกรุ้มขึ้นไปอีกคือน้ำไม่ได้ทำลายเฉพาะการติดต่อทางรถไฟเท่านั้น แต่การติดต่อทางเงินอื่นเช่นทางโทรเลขหรือจดหมายก็ขาดหายไปด้วยซึ่งทางนี้ย่อมทำให้พลอยกระวนกระวายใจแต่ในที่สุด น้ำที่ท่วมมากมานานก็เริ่มลดทุกๆวันพลอยก็จะชะโงกหน้าดูรอยน้ำที่ผนังตึกแล้วก็ต้องโล่งใจสบายใจขึ้นอีกนิดหนึ่งที่เห็นคราบน้ำบอกให้รู้ว่าระดับน้ำวันนี้น้อยกว่าระดับเมื่อวันวาดอารมณ์นี้หลายคนที่บ้านน้ำท่วมเมื่อปี2154นี่คงพอจะนึกออกนะคะ ว่าทุกวันตื่นมาสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่การเช็คสมาร์ทโฟนนะแต่เป็นการเช็กระดับน้ำนะคะพลอยก็เป็นแบบนั้นและในที่สุดค่ะถึงแม้ว่าจะท่วมหนักหนายอย่างไรวันหนึ่งน้ำก็ต้องเลิกท่วมละค่ะน้ำก็แห้งหายไปทิ้งกรุงเทพฯห้มีสภาพเป็นเมืองที่ดูโล่งตาผิดกว่าแต่ก่อนต้นไม้ต้นไรนี่ก็ถูกน้าท่วมตายกันไปไม่น้อยนะคะพอเพิ่ม ก็มาบนกับแม่พลอยวันหนึ่งบอกว่าหมดกันคราวนี้เองแม่พลอยอะไรหมดคุณหลวงต้นหมากลากไม้น่ะสิตายหมดสวนล่มไม่รู้จักกี่ร้อยกี่พันขนาดต่อไปจะต้องอดลูกไม้กันเป็นหลายปีทุเรียนกระแถบจะไม่มีเหลือเลยลูกไม้ต่างๆที่พอจะมีเหลือหากินได้บ้างก็คงแพงจนจับไม่ติดฉันมันเป็นคนรักต้นไม้เห็นต้นไม้ตายก็อดสงสารไม่ได้ นี่เครายังดีนะที่ทางบ้านฉันเนี่ยไม่มีที่ปลูกลงดินเล่นได้แต่ไม้กระถางก็เลยพอจะยกหนีให้พ้นน้ำได้แต่เห็นต้นไม้บ้านอื่นเขายืนต้นตายกันหนาตาก็ไม่ไายเศร้าใจเป็นเครอบเป็นกรรมอะไรของบ้านเมืองนะคุณหลวงจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามเรื่องพูดอย่างงั้นก็ถูกแล้วแต่ก็ควรจะมีใครเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องเสียหายกันบ้าง แต่ฉันมองไม่เห็นเลยหมู่นี้ได้ยินแต่ประกาศโฆษณาเรื่องก๋วยเตี๋ยวออกวิทยุกันออกแจ้วแจ้วออไปเฮ้อฉันบ่าพินลึกละเรื่องอะไรกันนะคุณหลวงฉันไม่ทันได้ฟังก็เรื่องก๋วยเตี๋ยไงทำไมถึงต้องเรื่องก๋วยเตี๋ยวฉันไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเรื่องที่สลักสำคัญอะไรเลยพรอยก็ถามอย่างงงๆก็ถึงว่าเถอนน่ะแม่พรอยไอ้ทีแรกฉันก็ไม่เชื่อ นึกโปหูจะยินผิดไปแต่แล้วก็จริงเขาพูดกันถึงเรื่องคุณวิเศษต่างๆของก๋วยเตี๋ยวจนไม่รู้จะฟังยังไงได้เดี๋ยวนี้ถึงกับว่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี่แหละอาจแก้เศรษฐกิจของชาติได้อ้อแล้วถ้าใส่หมวกอีกใบกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งโอ้โหเป็นมาหาอํานาจได้เลยแม่พลอยเอ้ยฉันงงมวยเต็มทีแล้วคุณหลวงช่วยอธิบายให้ฉันทีเถิดเรื่องราวมันไปยังไงมาอย่างไงกันแน่ ถึงได้เกิดเรื่องก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่พลอยแต่ได้ยินเขาลือกันว่าใครก็ไม่รู้เกิดนึกสนุกทําก๋วยเตี๋ยวเรือไปเลี้ยงในธรรเนียบระหว่างน้ําท่วมนั้นละ่ะทีนี้พอท่านผู้มีบุญวาสนาท่านได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันเข้าท่านก็เห็นว่าก๋วยเตี๋ยวจะเป็นของดีเป็นของวิเศษก็เลยเกิดเรื่องนิยมก๋วยเตี๋ยวกันเป็นการใหญ่ ชักชวนให้รัษฎรกินก๋วยเตี๋ยวกันให้กลุ่มไปหมดแล้วก็ในว่าจะสนับสนุนให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นการใหญ่ด้วยนาตายละนี่ฉันมิต้องถูกบังคับให้ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยอีกคนหนึ่งหรอเหมือนกับเมื่อครั้งนิยมใส่หมวกกันนะ่ะก็เห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่พร้อยเพียงแต่กินก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆก็เห็นจะช่วยชาติพอแล้วสําหรับเราแต่ก็อย่าพึ่งไปแน่จใจอะไรนะัก สมัยนี้จะไปขาดหมายอะไรให้แน่นอนก็ยากสิ่งใดที่ไม่เคยพบก็ได้พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นฉันเองก็อ่อนใจเหมือนกันแม่ชอบคำพูดพ่อเพิ่มตรงนี้จริงๆนะคะสิ่งใดที่ไม่เคยพบก็ได้พบที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะพูดแล้วพ่อเพิ่มก็ถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วก็ชวนพลอยคุยเรื่องอื่นต่อๆไปนะคะ แต่เรื่องนโยบายขายกว๋วยเตี๋ยนี่ยก็ไม่ได้จบลงง่ายๆคือดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับพลอยใช่ไหมคะแต่เกี่ยวค่ะเพราะว่าต่อมาอีกไม่นานวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งกินข้าวเย็นอยู่กับตาอ้านสองคนประไพก็เดินตุบปัดตุบป่องเข้ามาหาแล้วก็มาถามว่าคุณแม่คะคุณแม่รู้ไหมว่ากว๋วยเตี๋ยนี้ก็ทํากันยังไงใส่อะไรบ้างพลอยก็ตอบไปโดยอัตโนมัติบอกว่าก็ใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวลวกน้ําต้มกระดูกหมู เนื้อหมูถั่ว ง, งอกกุ้งแห้งแล้วก็ใบ ห, หอมเอ๊ะแล้วประภัยอยากรู้เอาไปทําไมก็คุณเสวีลูกเขยคุณแม่นะ่ะสิคะเขาอยากรู้เขาว่าเขาจะไปขายก๋วยเตี๋ยวที่กรมแน่ดูสิยายประภัยมาซัดฉันอีกแล้วบ้านนี้นี่ไม่ว่าใครก็ชอบเอาคุณเสวีมาซัดให้ฉันทุกคนไปพี่ลึกแท้ทีเดียวแต่คุณเสวีเขานึกยังไงขึ้นมาถึงจะลุกขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยว คราวนี้ตาอั้นก็เลยะตอบแทนน้องว่าคุณแม่บางทีจะยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาสั่งให้ข้าราชการขายกว๋วยเตี๋ยวทุกกรมกองแล้วครับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเสวีก็เป็นคนใหญ่คนโตบางทีเขาอาจจะต้องทำกระมังแต่ผมเองก็ทำเฉยๆเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ผมไม่ขายละก๋วยเตี๋ยวคุณเ ส, ว, ณเสวีก็บอกไพยวาอย่างนั้นค่ะครั้นัยบอกเขาว่าไม่มีความรู้เรื่องขายกว๋วยเตี๋ยวเคยแต่กิน เขาก็ดุว่าไพไม่ร่วมมือสนับสนุนเขาในหน้าที่การงานดีแต่คอยถ่วงไม่ให้เขาได้ดีไพกลุ้มใจจะตายอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นเหรอประไพแต่อันถามน้องเสียงคุนๆก่อนจะพูดต่อว่าพี่ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าเราอ่ะกลายเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของเขาแต่ความจริงเสวีเขาไม่น่าถามประไพเรื่องขายก๋วยเตี๋ยวนะทางญาติของเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวกันยังไง แต่อันก็เน็บเสวีนะคะแต่แทนที่ประภัยจะโกรธไม่พอใจที่พี่ชายเน็บแนมว่ากระทบสามีของตนประภัยกับผูเราะ อ, อย่างขบขันทําให้พลอยต้องพูดแก้ขึ้นอย่างระมัดระวังว่าเบ า, บาๆหน่อยเถิดอันพูดจะอะไรต่อหน้าแม่ก็ขอให้ระวังหน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไปเที่ยวพูดกันได้ว่าผู้ใหญ่เป็นใจแม่เห็นว่าที่คุณเสวีเข้ามาถามประภัยก็ถูกแล้ว ธรรมดาผัวเมียกันจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกันเย่ประภัยแกก็หยิบโยงไม่เข้าเรื่องแต่อีทำกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องเอะอาเป็นเรื่องใหญ่เขาจะขายกว๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องเป็นคนหาของให้เขาจะมีเวลาที่ไหนมาดูเองพรอยหยุดกลืนน้ําลายถอนใจแล้วก็พูดต่อว่าเอาเถิดอย่าพูดกันมากไปเลยพรุ่งนี้แม่จะสั่งเขาให้ซื้อของให้ พอพลอยรับปากว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะประไพก็พอใจจริงๆประไพนี่ก็จัดได้ว่าเป็นเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะคือไม่ค่อยจะทําอะไรเป็นภาระให้พลอยอยู่เรื่อยประไพก็ชวนตะอั้นคุยในเรื่องอื่นๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกกลับไปเรือนเมื่อประไพกลับไปแล้วตะอั้นก็ยังคงนั่งอยู่กับพลอยแล้วก็ถอนใจใหญ่สองสามครั้ง ทอดสายตาออกไปข้างหน้าเหมือนกับตรึกตรองอะไรอยู่ด้ความหนักใจและในที่สุดต่อัน้นก็พูดกับพลอยว่าคุณแม่ผมถามจริงๆเถอะคุณแม่เห็นว่าประภัยมีความสุขดีอยู่หรือแม่ก็เดาใจเขาไม่ถูกแต่ก็ไม่เห็นเขาเดือดร้อนอะไรนักหนานีนอั้นทีแรกผมก็นึกว่าเขาจะมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเสียแล้ว หรือผมจะเปลี่ยนไปเองก็ไม่รู้จิตใจคนก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างเป็นธรรมดาอันอย่าไปเก็บมาวิตกวิจาร์ให้มากไปเลยประภัยเขาก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆใจผมมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะแต่เรื่องในบ้านใกล้ๆตัวเท่านั้นหรอกนะคุณแม่แม้แต่ในเรื่องอื่นๆ อ, อีกมากแต่ก่อนเคยคิดเห็นไว้อย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับเปลี่ยนไปหมด ผมเลยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สบายใจเลยแต่อันพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงอารมณ์อันไม่ปลอดโปรง่งจากนั้นก็นั่งนิ่งๆอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วก็มาคุกเข่าอยู่ข้างๆตัวพลอยพรางบอกว่าคุณแม่คุณแม่เชื่อคาสับบสบานไหมเชื่ออย่างไรล่ะอันพลอยถามพรางยกมือขึ้นลูบหัวแต่อันก็เชื่อว่า คำสบสบา彬ต่างๆนั้นถ้าเราทำผิดพลาดไม่ตรงต่อคำสาบานเราก็จะต้องมีอันเป็นไปต่างๆเช่นถือน้ำพระพิพัสนสัตยาหรือคำสาบานที่ผมเคยให้คุณแม่ไว้เมื่อสิบปีมาแล้วปล่อยใจหายว้าบเมื่อได้ยินคำพูดของตาอันเพราะในใจจริงนั้นปล่อยรู้สึกหวาดหวั่นต่อคำสาบแช่งต่างๆในเวลาถือน้าและในคสสาสบสรัอยู่เสมอ แต่เมื่อตาอั้นถามมาพลอยก็ต้องแข็งใจตอบลูกไปว่าแม่เชื่อในบุญกรรมมากกว่าอะไรทั้งหมดเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งใดด้วยความสุจริตผลที่จะตอบสนองนั้นก็จะต้องเป็นผลดีตาอั้นเอาหน้าซบลงที่ตักพลอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดโดยไม่เงยหน้าว่าผมเองไม่เชื่อว่าผลจะเกิดตามที่ได้สม บ, บทสบาลเอาไว้ แต่ความสงสัยไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ทำผิดหรือถูกนี่แหละกลับเป็นเครื่องทรมานใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดบางทีได้ยินใครเขาพูดเรื่องบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันเจ็บใจยิ่งกว่าหอกเท่าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาซะอีกอัน้นอั้นอย่าไปเอาเรื่องอย่างนั้นมาพูดอั้นอย่าวิตกอย่าคิดอะไรให้มากไปแม่เป็นคนที่คอยให้สีให้พรอั้นอยู่เสมอ พรใดที่จะประเสริฐไปกอกพรจากปากจากใจของพ่อแม่ก็เห็นจะไม่มีอีกแล้วแม่รู้ว่าอั้นมีแต่ความสุดจริตมีแต่เจตนาดีอั้นไม่เป็นไรหรอกลูกแต่อั้นลงกราบที่ตักพรอยให้พรอั้นเถิดคุณแม่ให้พรมากๆเถิดอั้นไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากพรของคุณแม่เท่านั้น ตาอันซบลงที่ตักของพลอยใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องของตนระหว่างนั้นพลอยได้แต่มองตามหลังลูกชายด้วยความสงสารจับใจเสระยะนี้ตาอันดูจะซุดโทมลงไปอย่างเห็นได้ชัดเวลาจะยืนหรือจะเดิน ต่อันก็มักจะก้มหลังผิวพันธุ์ก็ดูซีดเหลืองแก้มก็ดูตอบไม่เต็มเหมือนแต่ก่อนพรอยนึกแปลกใจอยู่เสมอว่าตาอันเลิกกับเมียมแม่ ม, มานานนักหนาแล้วแต่ทำไมจึงยังอยู่เป็นโสดทำไมไม่มีวี่แววว่าแต่อันไปนรักชอบผู้หญิงที่ไหนหรือคิดจะแต่งงานมีย่ามีเรือนใหม่พรอยนึกถึงเรื่องนี้ก็ถอนใจนึกในใจว่า ถ้าตาอ้นมีเมียมีลูกได้ตั้งครอบครัวเหมือนกับผู้คนโดยทั่วไปบางทีตาอ้นอาจจะมีความสุขใจสบายกายยิ่งกว่านี้พลอยนึกถึงลูกๆแล้วก็เศร้าใจที่ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฟ้าแต่สักคนประภัยที่มีเรือนเป็นหลักฐานก็มีทีท่าว่าจะไม่แน่นอนตะอ้นก็ถูกเคราะห์กรรมบันดาลให้ถูกโทษไม่มีโอกาสที่จะมีเย่าเรือนได้ ตาอัานมีแล้วก็เลิกและตาออนึกถึงตาออแล้วพลอยก็ต้องยิ้มอยู่ในใจเพราะตาออมีเรือนแล้วจะเป็นอย่างไรพลอยนึกไม่ออกเลยต่อมาอีกสองสาวันเมื่อน้ําลดเป็นปกติสามารถจะติดต่อถึงกันได้พลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออสอีกฉบับหนึ่งว่า กำลังป่วยเป็นไข้ไม่สบายขอยับยั้งการเดินทางไว้ก่อนหายไข้เมื่อไหร่จึงจะเข้ามาถึงแม้ตาออดจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่พรอยก็มีวายที่จะหม่นไหม้ด้วยความเป็นห่วงและหลังจากนั้นพรอยก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาคอยจดหมายจากตาออดที่จะบอกให้รู้ว่าจะมาถึงบ้านได้เมื่อไหร่ มีเสียงใครเปิดประตูใหญ่หน้าบ้านหรือว่าเสียงใครเดินเข้ามาในบ้านพลอยก็จะต้องเลี้ยวมองทุกครั้งด้วยความหวังว่าจะเป็นบุรุษไปรสเนนำจดหมายหรือว่าโทรเลขที่มีข่าวคราวจากตาออดมาส่งแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเสียงรถยนต์มาจอดหน้าบ้านมีเสียงคนพูดสั่งเสียอะไรกันสองสามคำ จากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินเหยียบกรวดเข้ามาในบ้านพรอยไม่ได้สนใจจะลุกไปดูเพราะว่าเสียงรถที่มาจอดเป็นเสียงรถยนต์คงไม่ใช่บุรุษไปรณันีที่พรอยเฝ้ารอคือตอนนั้นเนี่ยคนสําคัญสําหรับพรอยคือบุรุษไปรณันีเท่านั้นนะคะพรอยก็เลยไม่สนใจก้มหน้าก้มตาเย็บเสื้อเก่าๆบางตัวที่ยังจะใช้การได้ต่อไปอีกครู่เดียว พอรู้สึกตัวว่ามีใครเข้ามาถึงในห้องตาออสก็เข้ามากราบอยู่บนตักพรอยดีใจจนพูดไม่เป็นคำเรียกแต่ชื่อตาออสซ้ำๆพรางกอดลูกเข้าไว้และทําร้องไห้และหัวเราะด้วยความยินดีแม่แม่ทุนหัวของลูก ออคิดถึงแม่เหลือเกินแม่สบายดีอยู่หรอคิดถึงลูกบ้างหรือเปล่าโถออดถามได้ทำไมแม่จะไม่คิดถึงนี่ออดกลับมาถึงเมื่อไหร่ทำไมจู่ๆก็มาถึงตัวไม่บอกไม่กล่าวให้รู้ล่วงหน้ากันบ้างเลยตาออดหัวเราะทีแรกก็ส่งมาแล้วแล้วก็น้ำท่วมถังรถไฟขาดมาไม่ได้พอรถไฟเดินได้จะเข้ามา ก็เกิดล้มเจ็บเป็นไข้ออสรู้ดีว่าขืนบอกมาแล้วก็ต้องเลื่อนไปบ่อยแม่ก็เป็นห่วงแย่ไปเท่านั้นเองพอดีเพื่อนๆทางโน้นเขาจะมากรุงเทพออสก็เลยมากับเา้าเขาพาขึ้นรถมาส่งถึงบ้านแล้วออเจ็บเป็นอะไรไปลูกหมอเขาว่าเป็นไข้จับสัน่นแต่ก็ไม่มากมายอะไรหรอกแมก่เป็นอย่างจับวันเว้นวันกินยาแล้วก็หายเวลานี้ ก็สบายแล้วพรอยนั่งพิจารณาดูตาอัดอย่างไม่วานตาตาอัดดูผอมลงไปกว่าเก่าใบหน้านั้นคล้าเพราะว่าถูกแดดถูกลมจากบ้านนอกและดูจะมีสีเหลืองพอสังเกตได้ตามผิวหนังบนใบหน้าซึ่งพรอยเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะพิษไข้แต่ว่าเนื้อตัวร่างกายตาอัดดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าแต่ก่อน และในแววตาของตาออดก็ดูเหมือนจะมีแววของความมั่นใจในตัวเองมากกว่าที่พลอยเคยเห็นแม่ดูไม่เปลี่ยนไปเลยจนนิดเดียวเมื่อวันที่ลูกเข้ามาลาไปเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นวันเข้ามาลาไปแม่ร้องไห้วันนี้พอออดกลับมาถึงบ้านแม่ก็ร้องไห้คี้อ้อนแท้ๆทีเดียว คอยหัวเราะยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาจะคีอ้อนที่ยาอย่างไงก็ช่างแม่เถอะออสมาคราวนี้อยู่กับแม่ให้นานๆก็ละกันออจะอยู่ให้นานที่สุดแม่อย่าตกใจไปเลยต่ออสตอบและอีกสักครู่ก็ขอไปอาบน้ำพรอยก็ลุกขึ้นกุลีกุจอจัดเสื้อผ้าแล้วก็เรียกเด็กมาช่วยจัดห้องปูที่หลับที่นอนของตอาออด้วยความสุขใจ อย่างที่ไม่ได้เคยมีมานานตะออดกลับมาบ้านคราวนี้มีกิริยาอาการบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ทำให้พลอยสบายใจมากเพราะว่า ต่ออททักทายกับตาอั้นอย่างดีใจเมื่อพบกันแล้วก็พูดคุยถามทุกสุขฉันพี่น้องอย่างสนิทสนมคือสิ่งนี้ก็คงเป็นเรื่องที่พลอยเนี่ยกังวลใจว่าตาอั้นกับตาออสเจอกันจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกผิดที่ผู้จารุนิแรงกับน้องแต่ในส่วนของตาออสเนี่ยพลอยคาดเดาไม่ได้ว่าตาออสจะยังคงรู้สึกโปรด หรือว่าน้อยใจในตัวพี่ชายอยู่หรือไม่จะปรากฏว่าพอมาเจอกันจริงๆทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะคะทำให้พลอยมีความสุขความสบายใจมากแม้แต่กับประไพแล้วก็คุณเสวีตะออสก็พูดจาด้วยปกติเป็นอันดีพลอยรู้สึกว่าบางทีความมีหลักฐานอันเกิดจากการทำงานนะคะอาจจะทำให้ตะออสเนี่ยคลายปมบางอย่างในใจ แล้วก็สามารถมองหน้าคนทุกคนได้ด้วยความเป็นมิตรเสมอบ่าไหลปราศจากความระแวงสงสัยว่าใครจะมาเหยียบย่ำดูถูกคือทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นคนที่ดีใจมากที่สุดอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากพลอยกับการที่ตอ๊อดกลับบ้านก็คือพ่อเพิ่มค่ะเพราะว่าพอพ่อเพิ่มรู้ว่าตอ๊อดมาถึงบ้านก็รีบรีบมาหาทันทีนะคะและตั้งแต่นั้นมา พ่อเพิ่มก็มาที่บ้านบ่อยๆแทบจะทุกวันพอยสังเกตเห็นว่าพ่อเพิ่มเองก็ดีใจที่ตาอั้นกับตาออสเนี่ยกลับมาสนิทสนมกันเป็นปกติและพ่อเพิ่มก็เข้าสนับสนุนความกรมเกลียวที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นอย่างดีระหว่างนั้นสิ่งที่พ่อเพิ่มกับตาออคุยกันอย่างสนุกสนานคลึกครื้นก็คือความวิวัฒนาการ แห่งภาษาไทยเริ่มตน้นโดยวิธีสะกดกา ร, รันที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ต่อไปถึงถ้อยคําสำนวนที่ทางการกำหนดให้ใช้พูดกันพอพอเพิ่มเข้ามาถึงบ้านแต่ออสก็จะทักขึ้นว่าสวัสดีจ้ะท่านพอเพิ่มก็จะตอบอย่างรื่นเริงว่าสวัสดีจ้ะท่านสบายดีหรือจ๊ะตะออสก็จะตอบว่าสบายดีจ้าท่านมาแต่วันเที่ยวนะจ๊ะวันนี้ ฉันคิดถึงท่านนี่จ้ะฉันก็เลยรีบมาพอฉันตื่นแต่เช้าซัวมัวกเสร็จเปรียบร้อยดอกไม้เหี่ยวๆของชาติที่บ้านฉันเขาก็เอาดอกไม้มากรัดอกชันหนึ่งดอกฉันจูบเขาหนึ่งทีตามวัฒนธรรมแล้วฉันก็รีบออกจากบ้านมาหาท่านแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะกันอย่างคลื่นเคลกนะคะแต่อันซึ่งบังเอิญอยู่ด้วยก็จะร่วมวงหัวเราะด้วยความขบขัน นี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ยินคำพูดเช่นนี้ได้ยินแล้วก็งงนะคะไม่เข้าใจว่าพ่อเพิ่มกับตาออสเนี่ยพูดอะไรกันอสคุณหลวงนั่นพูดอะไรกันอย่างนั้นฉันไม่เคยได้ยินเลยฟังแปลกหูพีลึกละอ้าวถ้าท่านฟังฉันไม่ออกท่านก็ไม่มีวัฒนธรรมน่ะสิจ๊ะพ่อเพิ่มหันมาตอบพลอย ทำให้พลอยยิ่งงงหนักเข้าไปอีกนะคะพูโทโธคุณหลวงก็เลิกพูดเล่นเสียทีเถิดเรื่องราวเป็นอย่างไรกันถึงได้พูดจากันอย่างนี้ฉันอยากรู้นะตาออดหัวเราะก่อนจะเล่าให้ฟังว่านี่แหละเป็นภาษาใหม่ที่ท่านสั่งให้คนไทยพูดกันหนังสือเดียวนี้ก็เขียนไม่เหมือนแต่ก่อนท่านตัดตัวหนังสือทิ้งไปเสียเป็นหลายตัวแล้วก็แก้ตัวสะกดใหม่อย่างคาว่าทง เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ทอธงสะกดแต่ใช้ทอทหารสะกดแปลกดีไหมแ ม, แม่ส่วนคําพูดที่ออสพูดกับคุณลุงก็เป็นคําพูดอย่างที่ท่านสั่งให้พูดนั่นแหละแม่พูดไม่ได้หรอกออสกระดาษปากออกจะตายไปแต่นี่ถ้าเราไม่พูดเราจะถูกจับเหมือนเรื่องกินหมากหรือไม่ใส่หมวกอีกหรือเปล่าพรอยถามอย่างไม่ไว้ใจนะคะแล้วก็รู้สึกลําบากใจด้วยเห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่แต่ในหนังสือราชการ ต้องใช้ภาษาอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ท่านอย่าเพึ่งประมาทไปนะจ๊ะนานเข้าท่านอาจจะสั่งจับท่านก็ได้ถ้าท่านไม่พูดฉันว่าท่านควรจะรีบศึกษาเล่าเรียนเสียดีกว่าจะได้มีวัฒนธรรมสูงสมกับที่เป็นดอกไม้ของชาติแรกเริ่มก็ไม่กี่คำหรอกจ๊ะที่จะต้องรู้ก็เพียงฉันท่านจ๊ะไม่ขอบใจขอโทษเท่านั้นเองไม่กี่คำรอก จำเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะพลอยก็เลยบอกว่าหุยคุณหลวงคุณหลวงก็พูดเป็นเด็กไม่จบรำคาญจริงๆทีเดียวว่าแต่ว่าอะไรนะที่คุณหลวงว่าฉันต้องท่องนะ่ะฉันท่านจ๊ะไม่อะไรนะั่นนะฟังดูไม่เป็นประสาเอาเสียเลยแต่ออสหัวเราะแล้วก็อธิบายว่า คำเหล่านั้นคือคำที่กำหนดให้ใช้คือให้เรียกตัวเองว่าฉันเรียกคนที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยว่าท่านแล้วก็ใช้คำว่าจ้ะเป็นคำตอบรับใช้คำว่าไม่เป็นคำปฏิเสธส่วนขอบใจก็ให้ใช้เวลาขอบใจและขอโทษก็ใช้สำหรับขอโทษพอเพิ่มก็เลยเสริมขึ้นว่านั่นสิง่ายจะตายไปยังชันจะถามแม่พลอยว่ากินแล้วหรือยังฉันก็จะต้องถามว่า ท่านรับประทานข้าวหรือยังถ้าแม่พลอยกินแล้วแม่พลอยก็ตอบว่าจ้ะฉันรัประทานแล้วขอบใจถ้ายังก็บอกว่าไม่ฉันยังไม่ได้รับประทานเท่านั้นเองและที่ว่าให้พูดนั้นนะ่ะพูดกับใครพลอยถามพูดกับใครๆก็อย่างเดียวกันหมดหมายความว่าฉันท่านจะ้จะจ๋าใช้กันทั่วไปหมดอย่างนั้นหรือ ก็อย่างนั้นสิจ้าท่านเด็กผู้ใหญ่อะไรก็พูดกันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเหรอพรอยซักยังไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นคาพูดที่ใช้กันโดยทั่วไปทุกระดับชั้นนะคะแต่ออดก็ยืนยันว่าก็ว่ากันอย่างนั้นแหละแม่อันนี้จังทุกขังชั้นนี่ก็ได้อยู่มาจนเห็นอะไรแปลกๆถึงเพียงนี้เชลหรือนี่ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแม่พรอย ยิ่งแม่พลอยได้เห็นหนังสือวิธีใช้ตัวสะกดการันที่เขาเริ่มใช้กันเดี๋ยวนี้แล้วก็จะยิ่งโปรงอั น, นิจ้จังไปใหญ่แต่ก่อนฉันเคยนึกว่าถึงฉันจะไม่มีภูมิรู้อะไรหนักหนาแต่สําหรับเรื่องหนังสือไทยฉันก็พอจะอ่านออกเขียนได้แต่พอเห็นหนังสือสมัยนี้เข้าแล้วฉันก็หมดภูมิลงไปทีเดียวอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ตอนแรกที่ได้เห็นหนังสือแบบใหม่ฉันนึกว่าเขาพิมพ์ผิดเสียอีก ต่อคนเขาบอกให้ฉันถึงได้รู้แล้วคุณหลวงก็ยังมานั่งหัวเราะร่วนอยู่ได้ฉันไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยน่ากลุ่มออกก็ทำไม่ให้ฉันหัวเราะและจะให้ฉันทํำยังไงเรื่องมันมากันถึงเพียงนี้แล้วหัวเราะเป็นดีกว่าอย่างอื่นละ่ะเหมื่อนตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านฉันก็เรียกแม่อีหนูที่บ้านให้มาจูบส่งฉันที่หัวกระไดหน่อยตามที่เขาแนะนําให้ทํา แกโกรธแทบจะไล่ตีฉันตายหาว่าเป็นล้อแกให้เด็กมันดูถูกเล่นได้คนไม่มีวัฒนธรํมแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจะทิ้งเสียก็สงสารอยู่กันมานานตั้งแต่เป็นดอกไม้สดจนเป็นดอกไม้แห้งไปแล้วอะไรนะไอ้เรื่องดอกไม้ดอกไม้นี่น่ะฉันได้ยินคุณหลวงพูดหลายหวนเต็มทีแล้วผู้หญิงพอเพิ่มอธิบายนะคะเดี๋ยวนี้ก็ชอบเรียกผู้หญิงว่าดอกไม้ของชาติ แม่พร้อยเองก็ดอกหนึ่งเหมือนกันนาะเสียแต่ชักจะเหี่ยวเหียวเสร็จแล้วเท่านั้นเองพูดแล้วพอเพิ่มก็หัวเราะอย่างชอบใจนะคะคือในสมัยนั้นเรียกผู้หญิงว่าเป็นดอกไม้ของชาติอ่าแล้วก็เวลาสามีกลับมาหรือว่าสามีจะออกไปก็ให้จูบก็ให้ทำแบบธรรมเนียมฝรั่งนะเนาะ ว่ากันว่าสมัยนั้นผู้คนก็คงจะโอ้ยกระดาษตะขิดตะขวงไปตามๆกันล่ะค่ะก็กลายเป็นเรื่องขบขันที่คนเอามาล้อเลียนเอามาพูดเล่นกันไปตั้งแต่ตะอ๊อดมาเยี่ยมบ้านพลอยก็คอยโอกาสที่จะพูดกับตะอ๊ดถึงเรื่องอนาคตของตะอ๊อดอยู่เสมอนะคะวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงตอนกลางวันขณะที่นั่งอยู่ด้วยกันสองคนตะอ๊อด ก็เหยียดตัวลงนอนอย่างสบายอารมณ์แล้วก็บอกว่าคนเรานี่จะอยู่ที่ไหนได้สบายเกินกว่าที่บ้านไปเห็นจะไม่มีที่อื่นถึงจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเห็นจะเป็นเพราะความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่บ้านของเรานั่นเองนั่นน่ะสิออสเมื่อออสเห็นอย่างนั้นทําไมออสไม่กลับมาอยู่เสียที่บ้านให้ตลอดไปล่ะลูกแม่ก็เป็นห่วงคิดถึงอยู่เสมอเมื่อก่อนออสจะกลับอันเขาก็บ่นว่า อยากให้ออสกลับมาอยู่ด้วยกันเสียที่บ้านแต่ออสพลิกตัวนอนคว่มไปกับพื้นแล้วก็บอกว่าพี่อันเขาก็พูดกับออสแล้วเหมือนกันเขาขอโทษขอโพยออสเสียจนออสอายเพราะความจริงพี่อันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วออสตอบเขาว่ายังไงออสก็บอกว่าออสไม่เคยถือโกรธพี่อันเลยและพี่อันเสียอีกกลับมีคุณต่อออที่ทาให้ออมีมานะออกจากบ้านไปทาการงานเดี๋ยวนี้ ออสรู้จักตัวเองดีกว่าแต่ก่อนแล้วก็รู้ใจว่าตัวต้องการอะไรพรอยก็เลยถามว่าแล้วออสต้องการอะไรออสต้องการทํางานต้องการทําอะไรอะไรให้มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ขอให้มันมีมากๆขึ้นเท่านั้นอย่างเวลานี้ออสไปดูให้เขาขุดแร่รู้สึกเหมือนกับว่าแร่ทุกก้อนทุกเม็ดที่ขุดออกมานั้นออสมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แล้วแรกนั้นก็จะจำหน่ายจ่ายแจกไปมากขึ้นทุกทีทุกทีให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆออสก็พอใจที่ในชีวิตนี้ได้มีส่วนช่วยทําประโยชน์ให้แก่คนอื่นไม่ได้มานั่งนอนอยู่เปล่าๆออสไม่ใช่คนก่อนนะแม่แต่ก่อนได้แต่นั่งนั่งนอนๆให้แม่เลี้ยงก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เดี๋ยวนี้ออสที่ออกไปข้างนอกได้ไปอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยนไปออสพูดยังไง แม่ไม่ค่อยเข้าใจพรอยพูดต่อไปทั้งที่รู้อยู่เต็มอกจากคำพูดของตาออดที่พูดมานะคะว่าความหวังที่จะให้ตออดกลับมาอยู่บ้านนั้นมันช่างเลือนรางเต็มทีตาออดก็เลยย้ำต่อไปว่าออดเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเวลานี้อยากทําอะไรให้ได้ผลมากที่สุดในเวลาเร็วออดรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกินอยากทําอะไรอะไรไว้ให้มากที่สุดในเวลาเร็วที่สุด ก่อนที่มันจะตายแต่ออสรู้ใจแม่ดีแม่อยากให้ออสอยู่บ้านเหมือนตะก่อนใช่ไหมเมื่อเห็นพลอยพยักหน้ารับคาแต่ออสก็เสือกตัวเอาหัวมนุนบนตักพลอยแล้วก็บอกว่าทุนหัวของลูกถ้ารักลูกแล้วอย่าเพิ่งออกปากขอเลยแม่ออกปากขอลูกก็จําต้องทําให้เพราะถ้าไม่ให้ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไป แต่ขอให้แม่นึกดูให้ดีๆเถิดถ้าแม่ขอให้ลูกกลับมาลูกก็ต้องมาแต่ระหว่างนั้นลูกก็จะต้องไม่สบายใจเพราะจะรู้สึกว่าการงานต้องทอดทิ้งไว้ยังทําไม่เสร็จและจะต้องไม่สบายใจอย่างนั้นตลอดไปแม่ก็คงไม่ชอบอีกเพราะแม่คงอยากให้ลูกทุกคนสุกกายสบายใจแม่คงอยากให้ลูกกลับมาอยู่บ้านเวลาที่ลูกปลอดโปร่งใจแล้วมากกว่า ลูกจริงอยากจะเป็นฝ่ายขอสยก่อนขอให้ลูกเด้กกลับไปทำธุระของลูกให้เสร็จแล้วลูกจะกลับมาเองขอให้แม่อดใจรอสักหน่อยเถิดพรอยก็เลยถามว่าแลแม่จะต้องคอยนานไหมออออสก็บอกไม่ถูกต้องดูความรู้สึกในใจของออก่อนว่าการงานที่ทำนั้นได้ผลพอใจพอที่จะวางมือได้หรือยังแต่บางที บางทีก็อาจจะไม่นานกระมังเพราะออสเป็นคนเบื่ออะไรง่ายไม่เหม่ออยู่อย่างเดียวแต่แม่ของออสเท่านั้นระหว่างที่พูดกันพ่อเพิ่มก็เดินเข้ามาในห้องเห็นตาออสนอนเอาหัวหนุนตักพรอยอยู่ก็ร้องขึ้นว่าไม่แหน้าเอ็นดูจริงกาลังช้อเลาะคุณแม่อยู่ทีเดียวนะพะอ่อออ ออสเขากำลังพูดถึงเรื่องที่เขาจะไปทางานต่อที่ปากใต้นะ่ะคุณหลวงดีแล้วดีแล้วปล่อยเขาไปเถิดแม่พลอยคนกำลังหนุ่มกำลังแน่นต้องให้เขาไปทำงานทำการปะเหมาะจะได้มีทางปากใต้สักคนที่เขารวยรวยลุงจะได้พึ่งพาได้บ้างคำพูดของพ่อเพิ่มทำให้ตาออสหัวเราะลุกขึ้นนั่งในขณะที่พลอยบอกว่าคุณหลวงพูดตรงกับที่ฉันนึกเอาไวท้ทีเดียว ฉันคิดอยู่เมื่อเร็วๆนี้ว่าลูกผู้ชายของฉันไม่มีเย่ามีเรือนสักคนถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันเห็นจะตายซะก่อนไม่ได้เล่นกับหลานเป็นแน่ตาอ้อนนั้นก็ช่างเถิดเป็นคนมีเคราะห์มีกรรมแต่ตาอ๊อฟ น, นี่ก็ยังไม่มีตาอั้นมีแล้วก็เลิกแล้วก็ดูเงียบไปทีเดียวพอพลอยพูดถึงตาอัอน้นพอเพิ่มกับตาอ๊อฟก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มอยู่เป็นไหนทําให้พลอยสงสยัย ทำไมเวลาที่ฉันพูดถึงตาอัน้นคุณหลวงกับตาออสต้องมองตากันแล้วยิ้มเปล่าหนะาแม่พรอยไม่มีอะไรหรอกไม่จริงยิ่งคุณหลวงพูดด้วยเสียงอย่างนี้ฉันยิ่งรู้ทีเดียวว่ามีอะไรปิดบังฉันอีกแล้วทันใดนั้นพอยก็นึกเฉลียวใจขึ้นมาทันทีหรือว่าหรือว่าตาอั้นไปมีอะไรไว้แม่พรอย แม่พลอยกับพ่ออันก็เป็นแม่เป็นลูกกันมีอะไรถามกันเองดีกว่าอย่าให้ฉันพูดเลยตั้งแต่วันที่พ่อเพิ่มพูดเป็นในในเกี่ยวกับตาอันเป็นต้นมาพลอยก็รู้สึกสงสัยในชีวิตส่วนตัวของตาอันเป็นกำลังแต่จะออกปากไต่ถามก็ยังไม่มีโอกาส ถามพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มก็ไม่ยอมบอกอ้างว่าให้ไปถามตาอั้นเอาเองถามตาอตอสตาออสก็ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากมัณนนบและถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องอะไรบ้างตาออสก็ไม่ยอมบอกเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของตาอั้นที่คนอื่นไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยว ในระหว่างนั้นพลอยไม่มีแก่ใจที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องของตะออดเพราะว่าตะออดจะต้องกลับไปปักใต้อีกตะออดยังไม่สามารถที่จะอยู่กับพลอยได้ตลอดไปอย่างที่พลอยต้องการตะออดมาอยู่กับพลอยเป็นการชั่วคราวเท่านั้นพลอยก็เลยอยากจะใช้เวลาทั้งหมดให้กับตะออดให้นานที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดนะคะ เพราะว่าตาออจะต้องจากไปอีกนานแค่ไหนพรอยก็ไม่สามารถที่จะคาดหมายได้ฝ่ายตาออเองกลับมาอยู่กับแม่ครั้งนี้ตาออก็พยายามที่จะใช้เวลาทุกนาทีอยู่กับพรอยโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนนอกจากจะมีธุระจำเป็นจริงๆเวลาส่วนใหญ่ตาออก็มอบให้กับแม่แล้วก็เป็นของแม่โดยเฉพาะ ตามปกติตออจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาอยู่กับพลอยทั้งวันนั่งพูดนั่งคุยด้วยจนกว่าจะถึงเวลาไปนอนแม้บางวันที่ตะออสมีธุระจะต้องออกจากบ้านก็มักจะรีบกลับแล้วก็มีของติดมือมาฝากแม่เล็กๆ น, น้อยๆอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็ทำให้พลอยสุขใจอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่มีปัญหาเลยแต่ก็เป็นธรรมดาที่เวลาอัน ประกอบไปด้วยความสุขนั้นจะผ่านพ้นไปโดยรวดเร็วผิดกับความทุกข์ที่จะผ่านไปอย่างช้าๆตอออดมาอยู่บ้านได้ร่วมสองเดือนเริ่มตระเตรียมตัวที่จะกลับไปทำงานที่ปักใต้ซึ่งพลอยก็รู้ดีว่าตอออตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลับไม่ยอมอยู่บ้านต่อไปตามที่พลอยต้องการ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะทัดทานไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องเศร้าหมองในใจหนักขึ้นไปอีกพรอยจึงได้แต่นิ่งแล้วก็ไม่ได้ขอร้องตออแล้วก็ช่วยต่ออตระเตรียมข้าวของที่จะเอาไปใช้เห็นอะไรขาดเหลือก็คอยแนะนำตักเตือนเวลาที่ผ่านไปอย่างราบรื่นจนถึงเวลาที่ตออเข้ามาลาออกจากบ้านไปพร้อมกับพูดปลอบใจพรอยว่า คราวหน้าถ้าลูกกลับบ้านแล้วจะมาอยู่เลยไม่มาลาให้แม่ต้องใจหายอีกแต่บางทีคราวนี้ก็จะเป็นการลาครั้งสุดท้ายเพราะคราวหน้าจะไม่มีการลาอีกต่อไปแล้วแตออดก็จากไปเมื่อแตออดจากไปแล้วพลอยก็เสื่องซึมหงอยเหงาอยู่หลายวัน อั้นก็รู้ใจนะคะพยายามที่จะปรีกเวลามาอยู่เป็นเพื่อนแล้ววันหนึ่งขณะที่ตาอั้นนั่งอยู่กับพลอยนั่นเองพลอยก็นึกถึงเรื่องที่พ่อเพิ่มพูดไว้เป็นในๆนก็เลยลองถามแบบลองใจตาอั้นขึ้นมาว่าอัน้นอั้นก็เลิกกับเมียมานานแล้วเมื่อไหร่อั้นคิดจะมีเย่ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาให้แม่ได้ทันเห็นหลานบ้าง ตะอันนิ่งอึ้งอยู่นานแล้วก็เหลียวมามองหน้าพลอยเหมือนกับจะสังเกตว่าพลอยมีอะไรซ่อนเบลนอยู่เบื้องหลังคําพูดนั้นหรือไม่แต่ในที่สุดแต่อันก็พูดขึ้นว่าผมยังไม่ได้คิดปลอกคุณแม่อยู่อย่างนี้ก็สบายดีอยู่แล้วแต่อันควรจะคิดให้ไกลๆเอาไว้บ้างอันเป็นลูกคนใหญ่ของแม่ควรจะมีครอบมีครัว ไว้เป็นหลักเป็นฐานมีลูกมีเต้าไว้สืบตระกูลแม่เองก็อยากจะมีหลานเหมือนจะตายไปอยู่มาจนบัดนี้แม่ก็ยังไม่มีหลานสักคนถึงยายประภัยจะมีลูกนั่นก็เป็นหลานยายแต่แม่ก็ยังอยากได้หลานย่าอยู่นั่นเองเรื่องนี้จะไปหวังพึ่งตาอ๊อดก็เห็นจะไม่ได้เพราะยังไม่เป็นโลเป็นภยัยมวัวแต่พูดเป็นเรื่องเล่นไปเสียหมด คุณแม่อยากให้ผมมีเมียอีกเพราะอยากจะมีหลานเท่านั้นเหรอแต่อันถามยิ้มยิ้มไม่ใช่เท่านั้นหรอกอันแม่อยากให้อันมีครอบครัวแล้วก็มีเมียไว้คอยดูแลปรนิบัติแล้วก็เป็นคู่คิดอ่านต่อไปคนเราอยู่ไปคนเดียวยิ่งเป็นผู้ชายก็ไม่สู้จะดีนักเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือถ้าอันมีลูกกับเมียเก่าแม่ก็จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่อันก็ไม่มี แม่จริงอยากให้อั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีๆเผื่ออย่างไรต่อไปแม่จะได้นอนตาหลับผมเคยทำผิดมโหฬนึงแล้วเมื่อพาลูซินเข้ามารู้สึกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่อึดอัดมากผมจึงไม่อยากทำผิดอีกเป็นคำรบสองอั้นพูดยังไงแม่ไม่เข้าใจลูซินนั้นก็เอาละว่าเป็นแม่มเป็นมัดพ่อแม่ไม่คุ้นเคยกับฝรั่งมังค่า ก็ย่อมจะต้องเหม็นนมเนยไปบ้างในตอนแรกๆ แ, แต่พอคุ้นกันแล้วแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนที่อั้นพูดว่ากลัวผิดอีกเป็นคำรบสองนั้นแม่ไม่เข้าใจแต่อั้นก็เลยอธิบายขยายความว่าผมเกรงว่าผมไปได้ใครมาที่ไม่ถูกใจคุณแม่คุณแม่ก็จะต้องหนักใจมากเพียงลูกเคยคนนึงก็ย่ำแย่อยู่แล้วไปได้ลูกสะภ้ยที่ไม่ถูกใจอีกคน คุณแม่จะไม่ลำบากไปแย่หรืออันก็รู้ว่าแม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นจะเป็นเขยเป็นสะพ้ายถ้าหากว่าลูกของแม่พอใจแม่ก็ยินดีที่จะรับทุกคนไปไม่เคยไปว่ากล่าวหรือแสดงความไม่พอใจอยังไงเลยข้อนี้ก็จริงดูๆไปแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นพวกลูกๆของแม่ยุ่งกันไปเองทั้งนั้นคุณแม่ซะอีกเป็นคนคอยระ ง, งับความไม่ให้ยุ่งแต่อันพูดแล้วก็นิ่งอยู่นาน ก่อนจะถามพลอยว่าคุณแม่อยากมีหลานจริงๆเหรอโถอัน้นอั้นก็ถามได้ใครบ้างจะไม่อยากมีนี่อั้นคิดอะไรไว้บ้างหรือเปล่ามองใครเขาไว้ที่ไหนบ้างหรื อ, อยังแต่อั้นทำอาการเหมือนกับจะตัดสินใจบอกความจริงบางอย่างให้พลอยรู้นะคะแต่แล้วแต่อั้นก็พูดเึ่นว่าอืมดูไปก่อนเถิดคุณแม่ เอาไว้วันหลังค่อยพูดกันและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพลอยก็รู้สึกว่ามีบางอย่างในสายตาของตาอั้นที่พลอยมีได้เคยสังเกตเห็นมาแต่ก่อนคือตาอั้นมักจะมองดูพลอยด้วยสายตาที่เหมือนกับจะมีบางอย่างซ่อนเร้นเอาไว้และตาอั้น ก็อยากจะบอกความลับนั้นให้พลอยได้ทราบและต่อมาอีกปลายวันตาอั้นก็ถามพลอยว่าคุณแม่เคยมีใครเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังเกี่ยวกับผมบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยอัน้นไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยคุณลุงหรือตาออสไม่เคยพูดอะไรบ้างเหรอเปล่าไม่เคยเลยทั้งสองคนตาอั้นนิ่ง แล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์หน้าตอนสายๆคุณแม่มีธุระอะไรบ้างไหมอันก็รู้ว่าแม่ไม่มีธุระอะไรนอกจากการงานทางบ้านเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อันจะให้แม่ทําอะไรเหรอลูกเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับผมอยากชวนคุณแม่ขึ้นรถไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเท่านั้นเองแตอันตอบแล้วก็หลีกไปทางอื่นไม่ยอมให้ปล่อยซักถามอะไรอีก พอถึงวันอาทิตย์ตะอั้นก็มายืนยันแต่เช้าให้พลอยออกไปนั่งรถเที่ยวเล่นกับตนพอตกสายพลอยก็ขึ้นรถโดยมีตะอั้นเป็นคนขับเองตะอั้นพาพลอยขับไปในที่ต่างๆในพระนครอยู่พักใหญ่แล้วตาอั้นก็เลี้ยวรถเข้าซอยเล็กๆซอยหนึ่งไปจอดลงที่หน้าบ้านหลังเล็กๆมีรั้วสังกะสีและประตูบ้านปิดมิดชิด คุณแม่แวะเข้ามานั่งเล่นในบ้านนี้กับผมสักครู่ก็ได้บ้านใครกันนี่อันบ้านเพื่อนผมเองครับเข้ามาเถอะคุณแม่ผมจะแวะเยี่ยมเขาสักหน่อยเออแม่คอยในรถก็ได้ไม่ต้องหอกคุณแม่เข้ามาเถอะพรอยพูดอย่างลังเลในขณะที่ตาอัานเอื้อมมือมารับมือพรอยให้ก้าวลงจากรถซึ่งพรอยก็เลยต้องตามใจลูกและก็เดินตามตาอัานเข้าไปในบ้าน พลอยนึกสงสัยขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นตาอั้นล้วงกุญแจจากกระเป๋ากางเกงนะคะแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านเดินเข้าไปได้โดยไม่ต้องเรียกให้ใครมาเปิดรับคือถ้าเกิดต้องมีกุญแจเองนี่ก็ไม่น่าจะเป็นบ้านเพื่อนแล้วล่ะค่ะบ้านนั้นมีเนื้อที่เล็กมากและเมื่อพ้นรั้วเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็ถึงตัวเรือนซึ่งเป็นเรือนไม้สองชั้นเล็กๆสะอาดสะอา้านนาอยู่ ตาอั้นชวนพลอยขึ้นไปที่เฉลียงเล็กหน้าเรือนเมื่อบอกให้พลอยนั่งแล้วตาอั้นก็เดินหายเข้าไปหลังบ้านเสียงตาอั้นพูดกับใครเบาๆที่หลังบ้านครู่หนึ่งแล้วตาอั้นก็เดินกลับออกมามีเด็กผู้หญิงเล็กๆอายุขนาดสี่ห้าขวบหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเดินนําหน้าออกมาคนหนึ่งและตาอั้นก็อุ้มเด็กชายที่อ้วนน่ารักอายุประมาณขวบเศษออกมาอีกคนหนึ่งถันใดนั้น อ, อั้นก็พูดกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กนั้นว่าแอดไปกราบคุณย่าซะนั่นล่ะพรอยก็เข้าใจเรื่องได้ตลอดทันทีรวบตัวเด็กผู้หญิงที่มายืนเอียงอายอยู่ข้างเก้าอี้มาเกอดไว้แน่นรู้ได้ทันทีว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของตา อ, อัน้นที่มาแอบมีซุกซ่อนเอาไว้เป็นเหตุให้พ่อเพิ่มและตาออสมองตาเป็นในเมื่อพลอยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้น และหน้าตาของเด็กคนที่เดินเข้ามานั้นพลอยมองดูปราดเดียวก็รู้ได้ว่าเป็นลูกของตาอั้นโดยไม่ต้องสงสยัยพลอยกอดจูบหลานพลังนึกในใจหูแว ว, ว, ว, วได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงตะโกนว่าคุณเพรมคุณเปร ม, ปรมฉันโดนเข้าแบบนี้อีกแล้วและคราวนี้ไม่ใช่คุณเพรมแต่เป็นตาอั้นลูกของคุณเพรมแลวก็ไม่ใช่มีแต่ตาอ้นคนเดียวรลอกคุณเพรม มีตั้งสองคนน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินพลอยหวน์ระลึกนึกถึงความหลังที่ผ่านมาเมื่อตอนที่คุณเปรมมีตา อ, อน้นซุกซ่อนเอาไว้แต่คราวนี้เป็นหลานถึงสองคนพรอยปิติที่ได้เห็นหลานได้แต่จับต้องเนื้อหนังอันอบอุ่นนุ่มนิ่มของหลานตาพร่าพรพายไปด้วยน้ําตา พลอยไม่เคยนึกฝันเลยว่าตาอันจะมาเที่ยวมีลูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างนี้เหตุการณ์ที่เคยประสบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อแรกแต่งงานกับคุณเปรมกลับมาเกิดขึ้นแก่ตนอีกครั้งนั้นพลอยยังเป็นสาวขมใจขมตนรับต่ออ้นมาเลี้ยงเป็นลูกได้คราวนี้พลอยมีอายุแล้วความรู้สึกต่างๆก็ชาลงไปตามวัยและเด็กสองคนนี้ก็เป็นหลานของพลอยแท้ๆโดยไม่มีปัญหา พลอยจริงได้แต่ปิติดีใจเห็นตะอั้นซุดตัวลงนั่งเก้าอี้ข้างๆพลอยก็ร้องขึ้นว่าโทอัน้นแล้วก็รับหลานอีกคนนึงมานั่งบนตักกอดจูบไปพลางผมทำความผิดอีกเป็นครั้งที่สองคราวแรกจะแต่งงานก็ไม่ได้บอกให้คุณแม่รู้แต่งเอาเองตามใจคราวนี้ก็อีกตาอั้นหยุดพูดครู่หนึ่ง ยกมือลูบผมเด็กผู้หญิงคนโตด้วยความปราณีทีแรกผมก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงดูแม่แยาแอดนี่จริงจังแต่อยู่ไปแอดก็เกิดมาแล้วก็คนเล็กนี่อีกคนหนึ่งตะอันชี้มือไปทางเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่บนตักพรอยระหว่างที่ตะอันกำลังพยายามอธิบายเรื่องราวด้วยข้อความที่ขัดขาดวินวิน ความตื่นเต้นของพลอยที่บังเกิดขึ้นในขั้นแรกก็เริ่มเบาบางลงไปและเมื่อ น, นึกอะไรออกพลอยก็เลยถามถึงแม่ของเด็กเดี๋ยวก่อนอัน้นเรื่องอะไรที่แล้วไปแล้วเอาไว้พูดกันทีหลังก็ได้แม่ของเด็กละ่ะแม่ของหลานสองคนนี้อยู่ที่ไหนแต่อั้นก็เลยเหลียวหน้าเข้าไปในห้องร้องเรียกว่าสมใจสมใจออกมาหาคุณแม่ข้างนอกนี่เถอะ สักสครู่ก็มีหญิงสาวหน้าตาคมขำรูปร่างดีคนหนึ่งโผล่ประตูออกมาอย่างประมาทพอเห็นหน้าพลอยหญิงสาวคนนั้นก็ก้มลงกราบกับพื้นแล้วก็นั่งพับเพียบก้มหน้าอยู่ที่ตรงนั้นขึ้นนั่งเสียบนเก้าอี้เธอะลูกขึ้นนั่งเสียข้างบนเถอะแม่สมใจแต่อันพูดต่อให้เบาๆขึ้นนั่งเสียข้างบนเธอ แม่สมใจพลอยพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงที่ปราณีทำให้สมใจค่อยหายประมาขยับตัวขึ้นนั่งบนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยพลอยรู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าแม่ของเด็กที่เป็นแม่ของหลานทั้งสองคนนี้ยังอยู่มิได้หายสาบสูญไปเหมือนแม่ของตาอน้น และสิ่งที่ทำให้พลอยโล่งใจขึ้นไปอีกก็คือหน้าตาของสมใจลูกสะั้ยนั้นคมคำถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนขาวแต่ผิวเนื้อก็เปล่งปรั่งด้วยวัยสาวและความไร้โรคพลอยนึกอยู่ในใจว่าบางทีตาอั้นอาจจะมีเมียมแหม่มจนเบื่อคนขาวกระมังพลอยพิจารณารูปร่างลักษณะสมใจต่อไปอย่างสนใจ สมใจเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับประภัยจะอ่อนแก่กว่ากันก็คงจะไม่กี่ปีมีบางอย่างในใบหน้าและสายตาของสมใจที่บอกให้รู้ว่าเจ้าตัวมีความซื่อสัตย์สุดจริตการแต่งกายนั้นก็เรียบๆบแบบอยู่กับบ้านมีร่องรอยแสดงให้เห็นว่าสมใจรีบจัดแจงแต่งตัวให้เรียบร้อยเมื่อรู้ว่ามีผู้ใหญ่มาหา พลอยรู้สึกโล่งใจขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าสมใจเพียงแต่ผัดหน้าเฉยๆมีได้มีเครื่องตกแต่งใดที่เกินไปกว่านั้นพมที่หยิกด้วยเครื่องตามสมัยนิยมเป็นอย่างเดียวที่ผิดจากธรรมชาติส่วนคิ้วนั้นก็ไม่ได้ถอนปากก็มีได้ถาสมใจนุ่งผถุงพับหน้ายาวๆผืนหนึ่งไม่ใช่กระโปรงสั้นแบบยุโรปที่พลอยเคยนึกราคาญ ที่ใส่ก็เป็นเสื้อผ้ามัสลินสีขาวเรียบเรียบมิดชิดไม่กวนประสาทคนที่มีอายุขนาดพลอยพรอยเลียวไปยิ้มกับตาอั้นเพื่อบอกให้รู้ว่าตนพอใจในลูกสะัยแล้วก็พูดกับลูกสะัยว่าลูกน่ารักออกแม่สมใจเลี้ยงเองหรือว่ามีใครช่วยเลี้ยงเองเจ้าค่ะ สมใจเขาเลี้ยงลูกเองแล้วก็ดูแลบ้านเองมีเด็กช่วยอีกคนหนึ่งเท่านั้นครับตาอั้นช่วยอธิบายและสมใจก็หันไปยิ้มกับตาอัน้นด้วยสายตาที่แสดงความขอบใจ อั้บอกกับพลอยว่าลูกคนโตที่เป็นลูกสาวชื่อแอดส่วนลูกชายคนเล็กนะคะชื่อว่าแอลตั้งให้เป็นตัวออเหมือนกันเหมือนกับลูกของพลอยแต่ว่าชื่อจริงๆยังไม่มีแล้วก็อยากจะให้คุณย่าคือพลอยเป็นผู้ตั้งให้พลอยก็บอกว่าแม่ตั้งไม่เป็นหรอกอัน้นแต่ไม่เป็นไร จดวันเดือนปีเกิดมาทั้งสองคนแม่จะไปขอชื่อพระท่านให้พูดได้เท่านั้นพลอยก็ดูเหมือนจะหมดเรื่องพูดแล้วก็ได้แต่นั่งมองกันไปยิ้มกันมาอันเป็นปกติวิสัยของคนที่เพิ่งรู้จักกันในตอนแรกแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกันตาอันก็เลยบอกว่าคุณแม่กลับบ้านเสียก่อนเถิดผมจะไปส่งเดี๋ยวจะสายไป พอตะอั้นขยับตัวลุกขึ้นยืนสมใจก็ลงจากเก้าอี้มากราพรอยแล้วก็บอกให้ลูกสาวคนที่รู้ความกราบลาคุณยา่าฝ่ายพรอยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคุณย่ามือใหม่นะคะก็ได้แต่ออกปากลาแล้วก็ให้ศีลให้พรพึ่มพันไปตามภาษาคนแก่แล้วก็เดินใจลอยตามตะอั้นไปขึ้นรถและเมื่อรถออกวิ่งนั้นพรอยรู้สึกตัวเหมือนกับว่า เรื่องทั้งหมดไม่จริงแต่ว่าได้ฝันไปทั้งเรื่องพรอยรวบรวมสติแล้วก็พูดกับต่อั้นว่าอัน้นแม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากเรื่องหลังๆมาจะเป็นยังไงแม่ก็ไม่รู้เลยเพราะอั้นไม่ได้บอกให้แม่รู้แต่ตอนนี้แม่ก็รู้แล้วเมื่อรู้แล้วอั้นก็เย็นลึกว่าแม่จะยิ่งดูได้กลับไปนี่แม่จะให้เขาเตรียมห้องหับที่บนตึก อันจะต้องไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยโดยเร็วที่สุดแม่ไม่ยอมให้อยู่อย่างนี้อีกต่อไปช้าๆก่อนคุณแม่คุณแม่ฟังผมก่อนคุณแม่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วนะักจะให้แม่รอชักช้าอะไรต่อไปเล่าอันอันก็รู้ว่าแม่อยากได้หลานแม่บอกมาไม่รู้จักกี่หนกี่หนแล้วแล้วเดี๋ยวนี้อันก็หาหลานมาให้แม่ทีเดียวถึงสองคนพร้อมๆกัน ผู้หญิงคนผู้ชายคนพอดิบพอดีน่ารักน่าเอ็นดูจะตายไปแล้วอย่างนี้อันจะให้แม่รออะไรต่อไปอีกผมไม่เข้าใจแต่อันปรารถขึ้นในขณะที่มือก็ถือพวงมาลัยรถตาก็มองออกไปข้างหน้าผมไม่เข้าใจเลยจริงๆถ้าเป็นพ่อแม่อื่นลูกเขาไปทําอย่างนี้ก็คงจะต้องมีตัดพ้อต่อว่า หรือว่าเสียอกเสียใจอะไรบ้างแต่คุณแม่กลับไม่มีเลยเหมือนกับว่าเรื่องแบบนี้เป็นของธรรมดาที่สุดผมก็เลยงงไปหมดไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกแต่อันก็งงงงเหมือนกับที่คุณเปรมเคยงงพลอยก็เลยตอบว่าอันก็รู้ดีว่าแม่ไม่ใช่คนชอบเอาเรื่องเอาราวกับใครจนใครๆเขาก็พาเห็นแปลกมาตั้งแต่แม่ยังสาวๆอยู่แล้ว เรื่องอันนี้ถือว่ายังดีเพราะอันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ไม่มีอะไรที่จะไปว่ากล่าวพลอยหยุดพูดระลึกถึงความหลังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อไปว่าเรื่องเก่าๆที่แล้วมาหนักกว่านี้เป็นกองกระทบถึงตัวแม่โดยตรงและแม่ก็มีแต่ทางเสียไม่เหมือนคราวนี้แม่ได้หลานตั้งสองคน แม่ยังไม่เคยไปว่ากล่าวใครให้เจ็บช้ำน้ำใจเลยแต่อันเหลียวหน้ามามองพ้อยพ้อยก็เลยรีบพูดกินว่ากล่าวหอกอันอย่าไปนึ ก, ก็แม่เป็นคนวิเศษวิโสอะไรเลยถูกใครเขาทำอะไรให้เป็นทุกข์ก็ใช่ว่าจะไม่ทุกข์บางครั้งก็เลือดตาแทบกระเด็นชั่วแต่ว่าไม่รู้จะไปโทษใครหรือไปเกลียด ไปโกรธใครอย่างคนอื่นเขาเท่านั้นเชื่อว่าแม่เป็นคนโง่ก็ได้เพราะดูๆไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีจิตไม่มีใจแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไรถูกเหมือนกันสาอันฟังแล้วก็นิ่งไม่ได้พูดอะไรแต่ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบ้านสาอันจอดรถส่งพลอยลงแล้วก็ขับรถไปเข้าโรงรถ พลอยขึ้นไปนั่งรอตะอั้นอยู่บนตึกแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องพูดกับแต่อั้นให้เด็ดขาดไปแล้วก็จะต้องตั้งใจบังคับให้เรื่องราวเป็นไปตามใจตนเองบ้างในครั้งนี้ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างแต่ก่อนพลอยก็นั่งคออยู่ครู่หนึ่งพอตะอั้นเดินขึ้นบันไดตึกมาพลอยก็เรียกขึ้นทันทีว่าอัาน้นมานี่ก่อน พอแต่อันเดินเข้ามานั่งเรียบร้อยพลอยก็เปิดฉากว่าเรื่องนี้จะเอาอยัางไงกันแน่อันบอกให้แม่รู้บ้างผมว่าจะเอายัยแอดมาให้คุณแม่เลี้ยงเพราะคุณแม่อยากได้หลานและอย่าแอดแกก็รู้ความแล้วส่วนตตแอัลคนเล็กพอรู้ความก็ค่อยรับมาอยู่ที่นี่ไม่เอาละอันแม่ยอมไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็ดขาดมีอย่างเหรอ จะมาเกณฑ์ให้แม่ไปเที่ยวแยกลูกแยกแม่เขาไม่ให้อยู่ด้วยกันเป็นกรำเวนอย่างหนักแม่แก่แล้วแม่ไม่ยอมถ้าอย่างนั้นก็ให้อยู่อย่างนี้ก็แล้วกันครับแต่อันพูดด้วยน้ําเสียงที่แสดงความโล่งใจสมใจเขาก็สบายดีไม่เดือดร้อนอะไรคุณแม่จะได้ไม่ต้องยุ่งคิดถึงหลานอยากเล่นกับหลานผมก็ไปรับมาให้เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ อย่างนั้นก็ไม่ได้อีกอันอย่าทําตัวเป็นคนมักง่ายเห็นอะไรเป็นของง่ายๆไปหมดแต่ก่อนนี้อันปิดบังแม่ไว้ไม่ให้รู้เรื่องราวก็ช่างเถิดแต่เดี๋ยวนี้แม่ก็รู้แล้วเมื่อรู้แล้วแม่ไม่มีวันยอมให้อันทําลับๆับล่อๆ อ, อ, อีกต่อไปอันเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆมีลูกมีเมียก็ต้องรับเข้ามาเลี้ยงดูให้เป็นหลักเป็นฐานแม่จะนอนตาไม่หลับจนกว่าอันจะตกลงไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วย คิดถึงว่าอันเอาไปซุกซ่อนไว้จนลูกโตแม่ก็ยังไม่ไวายใจหายเลยผมก็คิดว่าจะบอกคุณแม่เหมือนกันตั้งแต่แอดเกิดแต่ก็รังรังรอรอไปจนกระทั่งแต่แอลเกิดมาอีกคนเห็นคุณแม่พูดเหมือนจะระแคะระคายรู้อยู่ผมก็เลยบอกเสยให้โล่งใจผมเองก็หนักใจเหมือนกันที่มีอะไรปิดบังคุณแม่ แต่ตอนที่จะให้ผมรับมาอยู่บ้านนี้ด้วยกันหมดผมยังหนักใจอยู่หนักใจเรื่องอะไรอันกลัวว่าแม่จะไปข่มเหงลูกเมียของตัวอย่างนั้นหรือถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าวางใจได้แม่ไม่มีวันทา ม, มีแต่จะรักมีแต่จะเอาใจแต่ก็เอาเถิดถึงอันจะไม่ไว้ใจแม่แม่ก็ไม่ว่า อันจะออกจากบ้านไปมีเย้ามีเรือนตั้งครอบครัวใหม่ก็ตามใจแม่ขอให้อันได้อยู่กับลูกเมียเหมือนคนอื่นๆอย่าทําลับๆ ล, ล่อๆแอบไปมาหากันแบบนี้แม่ไม่ชอบแต่อันถอนใจแล้วก็บอกว่าคุณแม่อย่าพูดอย่างนั้นผมเสียใจเหลือเกินผมเป็นลูกคนหนึ่งที่รู้จักใจคุณแม่ดีไม่น้อยกว่าใครๆความไม่ไว้ใจคุณแม่ไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวใจของผมเลย แต่ที่ผมไม่อยากพาสมใจและลูกๆมาอยู่บ้านก็เพราะกลัวว่าคุณแม่จะต้องลาบากจะต้องหนักใจผมทำความผิดไปแล้วก็อยากจะก้มหน้าใช้ผิดไปแต่ตัวไม่อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนอันจะไปก้มหน้ารับผิดทำไมในเมื่อเรื่องมันไม่เป็นผิดและการที่จะรับลูกเมียมาอยู่ด้วยก็ไม่เห็นจะทำให้แม่เดือดร้อนที่ตรงไหนกลับจะทาให้สบายใจขึ้นซะอีก เรื่องนี้แหละที่ผมเป็นห่วงคุณแม่ก็มีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาเห็นใครก็อยากจะรักอยากจะชอบเห็นว่าเขาดีก่อนเสมอไปสมใจนั้นคุณแม่ไม่รู้จักเขาเลยเพิ่งจะได้เห็นหน้ากันวันนี้แล้วคุณแม่จะไปรับเขามาอยู่ด้วยถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดไม่ชอบขึ้นมาผมไม่ลำบากแย่หรอเพราะว่าข้างหนึ่งก็แม่ อีกข้างหนึ่งก็มีแม่เกิดมานานเต็มทีแล้วอัน้นนานพอที่จะมองดูหน้าคนออกว่าใครครบได้เลี้ยงได้ใครเลี้ยงไม่ได้เท่าที่แม่เห็นหน้าแม่สมใจเมื่อเช้าแม่ก็ถูกใจแต่อั้นมีเหตุผลอะไรหรือที่คิดไปว่าแม่อาจไม่ชอบเขาแต่อัน้นแสดงความอึดอัดใจนะคะ อธิบายมายาวเลยว่าผมขอพูดตรงๆสมใจเป็นลูกกําพรราเกิดมาก็ยากจนไม่มีสกุลรุนชาติไม่เคยเข้าสมาคมในที่สูงไม่เคยเล่าเรียนศึกษาอะไรทั้งสิ้นไหนๆก็จะพูดกันแล้วผมพูดไม่อายว่าเมื่อได้เขามาแต่แรกผมไม่เคยคิดจะเลี้ยงเป็นลูกเป็นเมียจริงจังเพราะรู้ว่าความเป็นอยู่คนละอย่าง สมใจเขาก็คงรู้เช่นเดียวกันเขาจึงไม่เรียกร้องอะไรผมเช่าบ้านให้เขาอยู่แล้วก็ไปมาหาสู่บ้านเป็นครั้งเป็นคราวเคยคิดไว้ว่าจะให้เขามีลูกมีผัวที่สมฐานะแต่อยู่มาสมใจก็มีลูกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นหน้าลูกก็สงสารผมก็พาเขาไปจดทะเบียนเป็นเมียงเงียบๆไม่บอกให้ใครรู้ที่จดทะเบียน ก็เพื่อเด็กที่เป็นลูกของผมในใจจริงผมก็คิดจะเลี้ยงดูเขาต่อไปในฐานะเช่นนี้ที่จะให้รับมาไว้ที่บ้านเลี้ยงดูออกหน้าออกตานั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะรังแต่จะก่อให้เกิดความรำคาญใจเพราะเมื่อสมใจแกเป็นแต่คนเพียงแค่นั้นถึงแกจะไม่ตั้งใจทำให้เสียหายแต่แกก็อาจจะพลาดพลั้งอยู่เรื่อยๆด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ ถึงคุณแม่จะเจตนาดีสัแค่ไหนคุณแม่ก็จะต้องพลอยขายหน้าแทนเขาอยู่วันยังคำ่ำแล้วก็จะเกิดความรำคาญใจใหม่ๆก็อาจจะทนได้แต่นานไปอาจจะทนไม่ไหวความรำคาญใจก็จะกลายเป็นความเกลียดชังหมั่นไส้แล้วในที่สุดก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้พลอยถอนใจใหญ่เพราะคําพูดของตะอัน้นทําให้พลอยเห็นได้ว่าตาอัน้น เป็นคนที่มีความคิดคับแคบเสียเต็มทีพลอยตอบแต่อั้นไปว่าอัน้นธรรมดาแม่เชื่อฟังอั้นอยู่เสมอเพราะถือว่าอั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้แต่คราวนี้อั้นพูดมาแม่ฟังไม่ได้เชื่อไม่ได้เลยอั้นพูดเข้าตำราผงเข้าตาตัวเองเสียแล้วนะอั้นบอกแม่เองว่าอั้นจดทะเบียนสมใจเป็นเมีย เพราะอั้นเห็นแก่ลูกแม่เข้าใจว่าอั้นคงจะกลัวว่าลูกโตขึ้นรู้ความจะต้องอับอายแต่แล้วอั้นก็เอาแม่ของลูกมาเลี้ยงกดไว้เหมือนกับไม่ใช่เมียแม่ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปลูกโตขึ้นก็จะได้อายเท่ากันแม่เห็นว่าอั้นคิดสั้นไปหน่อยอั้นบอกว่าเมียของอั้นไม่ได้ร่าได้เรียนไม่เคยเข้าสมาคมที่ดี แต่ทำไมอั้นไม่คิดแก้ไขสมใจก็ไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าอะไรนักหนาเอามาไว้กับแม่ก็พอจะช่วยสอนช่วยอบรมให้ดีไปได้อั้นจะไม่ต้องขายหน้าเขาแม่สังเกตดูหน้าตาท่าทางเขาก็ไม่ใช่คนโง่กิริยาท่าทางหูตาเท่าที่เห็นก็พอจะไปได้ตลอดจนวิธีการแต่งตัวหรือจะลุกจะนั่งก็น่นาดูไม่ขวางลูกตาแม่กลับจะเห็นว่า เขดีกว่าที่เรียกกันว่าลูกผู้ดีสมัยนี้ซะอีกอันไปนรับมาอยู่เสียเถ่ร์แม่รับรองได้ว่าอันจะไม่ขายหน้าใครเลยแม่จะดูให้เองแต่คุณแม่ผมบอกแล้วว่าสมใจไม่ใช่คนที่มีสกุลสูงพ่อแม่เขาเป็นใครที่ไหนผมก็แทบจะไม่รู้จักนั่นแหละยิ่งดีถึงเขาจะเป็นใครมาแต่ก่อนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเมียอันเป็นลูกสะใภ้ของแม่ แล้วก็เป็นแม่ของหลานถ้าอั้นและแม่จะไปดูถูกเขาก็เท่ากับว่าเราดูถูกตัวเราเองและเด็กสองคนนั้นต่อไปจะไม่ยกโทษให้พ่อกับย่าเลยเพราะเราไปดูถูกแม่ของเขาเอาไว้ไม่ได้หรอกนะอัน้นแม่ต้องยกย่องเขาทุกทางและต้องขอให้อั้นตามใจแม่ด้วยพรอยพูดด้วยสำเนียงที่แน่นอนไม่มีทางที่จะผ่อนผันยอมตามใจตาอั้นแม้แต่น้อย และถ้าจะว่าไปจริงๆความจนก็ดีความอาภัพต่างๆในชาติกำเนิดอะไรเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของที่ควรจะดูแคลนกันง่ายๆเพราะถึงจะเกิดมาเป็นอะไรก็ยังเป็นมนุษย์ตาดำๆด้วยกันทั้งนั้นพลอยพูดต่อไปด้วยความมั่นใจว่าตนเป็นฝ่ายถูกแต่ถึงคุณแม่จะไม่ถือก็เถิดแต่คนอื่นเขาอาจจะถือทาให้คุณแม่ต้องลาบากใจก็ให้รู้กันไป ถ้าใครไม่นับถือลูกสะั้ยฉันก็แล้วไปแปลว่าไม่ต้องคบกันลอยตอบอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนคนอื่นก็คงจะไม่สู้กไกลนะักผมก็กังวลแต่น้องๆตะออสกับประไพเขาจะว่าอย่างไรกันก็ไม่รู้ต่อันเริ่มเสียงอ่อนตะออสไม่ต้องวิตกแม่รู้ดีตะออสไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับยายประไพก็อย่า ก, กังวล ขืนมีทีท่าออกมาเมื่อไรฉันจะรับมือเองต่อันหัวเราะผมยอมแล้วคุณแม่ผมจะไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยคุณแม่นี่บทจะแข็งก็แข็งเป็นเหล็กทีเดียวผมเพิ่งเคยเห็นวันนี้นั่นสิแม่เองก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันพล่อยพูดพลางยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่หน้าผากนะคะ และหลังจากนั้นพลอยก็ได้ลูกสะพ้ยแล้วก็ได้หลานชายแล้วก็หลานสาวมาอยู่ด้วยกันจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตายังไม่ทันจะได้คุ้นเคยหรือได้ชื่นชมให้สมกับความปรารถนาอย่างไรความสงบสุขทั้งหลายทั้งปวงที่พลอยนึกว่ามีก็แตกสลายไป โดยที่พลอยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนสิ่งที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือสงครามนั่นเองเมื่อแรกสงครามเกิดใหม่ๆ ม, มีเครื่องบินฝรั่งเข้ามาทิ้งระเบิดในพระนคร ห, หนึ่งหรือว่าสองหนตอนนั้นพลอยตกใจมาก แต่ความตกใจนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความตกใจที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในความวุ่นวายของสงครามที่เพิ่งจะมาถึงตัวในระยะนั้นอะไรก็ดูจะน่ากลัวก่อให้เกิดความะหนกตกใจไปหมดไหนจะญี่ปุ่นที่เข้ามาเต็มพระนครไหนจะความมืดอันเกิดจากการพรางไฟไหนจะข่าวลือที่สับสนอนลมาจนแทบจะฟังไม่ได้สับ การที่เครื่องบินฝรั่งมาทิ้งระเบิดครั้งนั้นจึงกลายเป็นของธรรมดาในขณะที่บ้านเมืองเข้ายุคเข็นถึงความอันละเวงแต่หลังจากนั้นมาเครื่องบินฝรั่งก็หายไปไม่มารบกวนอีกความยุ่งเหยิงอันละเวงต่างๆก็สงบลงทุกคนในกรุงเทพรวมทั้งพลอยก็คุ้นเคยกับภาวะที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองทีละน้อยจนกลายเป็นของธรรมดา และสงครามนั้นก็ดูไกลตัวออกไปเพราะว่าไปรบพุ่งกันอยู่ประเทศอื่นอันตรายต่างๆอันเกิดจากการสงครามจึงไม่ได้มีใครนึกถึงแล้วก็หลังจากที่น้ําท่วมแล้วก็น้าลดตออดกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วตออดก็กลับไปพอตออดกลับไปได้ไม่กี่วัน ตา อ, อั้นก็รับสมใจภรรยาและลูกสองคนมาอยู่บ้านพรอยจัดห้องหับให้อยู่ได้กันบนตึกใหญ่แล้วก็บอกกับสมใจให้ใช้ของทุกอย่างบนตึกได้เป็นของตัวทำให้สมใจก้มลงกราบพรอยน้ำตาคลอสำหรับพรอยนั้นรู้สึกว่าตนเป็นคนแก่จริงจัง เพมีหลานย่ามาเป็นประจักษ์พยานอยู่และความรู้สึกว่ามีเด็กเล็กๆวิ่งอยู่ในบ้านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้ตามภาษาเด็กเป็นเหตุให้ต้องคอยห่วงใยคอยนึกถึงนั้นทําให้พลอยรู้สึกว่าบ้านของตนอบอุ่นน่าอยู่ไม่อ้างว้างเงียบเงาอย่างแต่ก่อน แต่การที่ได้หลานมาถึงสองคนโดยกระทันหันโดยที่มิได้รู้ตัวล่วงหน้านั้นพรอยก็ยังมิมีเวลาที่จะหายใจเลยเพราะเพิ่งผ่านมาแล้วก็มาอยู่ได้ไม่กี่วันความคุ้นเคยสนิทสนมยังมิทันได้เกิดขึ้นคืนวันหนึ่งก็เกิดเหตุ คืนวันหนึ่งพลอยเข้านอนแล้วแต่ก็ยังไม่หลับดีคืนนั้นเดินหงายจำอากาศหนาวเย็นตามฤดูพลอยเอาผ้าห่มห่มทับลงไปบนตัวเองหลายพื้นแล้วก็หดเข่าขึ้นมานอนคุดคุ้เพื่อที่จะให้หายหนาวแต่ความหนาวเยือกเย็นก็ไม่ได้หายไปจากตัวแสงเดือนสองเข้ามาทางหนา้าต่างทาให้เห็นทุกอย่างในห้องได้ชัดเจน ในขณะที่พลอยนอนนึกถึงอะไรต่อมิอะไรเพลินอยู่เสียงหลานคนเล็กก็ร้องออดแอดในยามหลับอย่างที่เด็กอ่อนชอบทำพลอยนอนยิ้มอยู่คนเดียวแต่ในทันใดนั่นเองก็มีเสียงบูดสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นสนั่นว่นไหวเสียงที่ดังเป็นระยะทีๆนั้น ดูเหมือนจะทำให้พรอยตกใจในภัยทางอากาศที่กำลังจะมาปรากฏไม่น้อยกว่าคนอื่นๆที่เพิ่งจะรู้ตัวพรอยลุกขึ้นนั่งทันทีแล้วก็รีบวิ่งตรงไปยังห้องตาอั้นที่นอนอยู่กับลูกเมียในใจจดจอ่ออยู่ที่หลานสองคนมากกว่าใครทั้งหมดตาอั้นเปิดประตูห้องออกมาด้วยอาการตื่นเต้นพลอยหลีกเข้าไปในห้องทันทีสมใจนั่ ง, งงงอยู่บนที่นอนมือกอดลูกเอาไว้ทั้งสองคน เสียงหลานร้องไห้วุ่นวายด้วยความตกใจแม่สมใจอุ้มแอดลงไปข้างล่างส่งแตาแอลมานี่ฉันจะอุ้มไปเองคำพูดของพลอยทําให้ลูกสะพายได้สติส่งตาแอลให้พลอยแล้วก็อุ้มลูกสาวออกมานอกมุง้งตะแอลพอถึงตัวพลอยก็กอดพรอบกอดคอพลอยไว้แน่นพลอยได้แต่ยืนปลอบหลานไม่ให้ขวัญเสียอยู่ครู่หนึ่งแต่อันเดินกลับมา แล้วก็บอกว่าคุณแน่ลงไปข้างล่างกันเถอะอยู่ันนี้ไม่ดีส่งแอลมาให้ผมผมอุ้มเองไม่ต้องแอลอยู่กับย่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพลอยกอดแต่แอลเอาไว้แน่นเหมือนกับจะหวงหลานเสียเต็มประดาพลอยพูดพรางเอามือลูบหลังหลานชายอยู่ไปมาและแต่แอลก็ดูเหมือนจะหายตกใจ พอคลายมือออกแล้วก็ไม่ตัวสั่นอย่างเมื่อกี้พรอยอุ้มหลานตามตาอั้นลงไปข้างล่างมีสมใจเดินตามลงมาติดติดกันประภัยมานั่งอยู่แล้วที่ริมหน้าตากพรอยแลเห็นเงาคนตะคุ่มทะคุ่มก็รู้ว่าเด็กๆและคนที่อยู่ในบ้าน ต่างก็พากันตื่นแล้วก็มาอาศัยตึกเป็นที่กาบังจากภัยอันตรายที่ต่างคนต่างก็ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงตัวหรือไม่เสียงประไพหัวเราะกิ๊กๆทำให้พลอยต้องหันไปดูว่าประไพนี่มานั่งหัวเราะอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะขบขันตรงไหนเลยคุณเซวีไปไหนประไพบอกว่า คุณเสวียังไม่กลับไปไหนก็ไม่รู้เห็นบอกว่าจะไปกินเลี้ยงกับญี่ปุ่นพรอยนั่งเอาลานวางไว้บนตักได้ไม่นานเสียงเครื่องบินก็ดังกระหึ่มขึ้นบนอากาศอีกครั้งเสียงนั้นดังผิดไปจากเครื่องบินไทยหรือเครื่องบินญี่ปุ่นที่เคยได้ยินมาทำให้พรอยคนลุกเกรียวด้วยความเสียวไส้อีกครู่หนึ่งเสียงปืนต่อสู้อากาศยานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักดังขึ้นเปรี้ยงใหญ่ ทั้งพลอยทั้งหลานสะดุ้งตัวลอยกอดกันเข้าไวแ้แน่นแต่แอลก็ร้องไห้ขึ้นอีกจ้าหนึ่งตัวสั่นเทาด้วยความตกใจเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินดังกระหึ่มอยู่จากที่สูงเสียงปืนต่อสู้อากาศยานดังอยู่เป็นประยะระยะใกล้บ้างไกลบ้างพลอยและหลานสะดุ้งกอดกันกลมทุกคนที่อยู่เป็นกลุ่มในความมืดนั้นเงียบกริบไม่มีใครพูดจาว่าอะไร มีแต่เสียงหายใจจา ก, กผู้หญิงบางคนในบ้านที่ดังเหมือนกับพอิบพรอยมองออกไปทางหน้าต่างเห็นไฟฉายพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นทางยาวๆบางครั้งคนที่นั่งอยู่ในห้องก็ออกเสียงเบาๆด้วยความตื่นเต้นเมื่อไฟฉายนั้นจับเครื่องบินได้เต็มลำทำให้แลเห็นเครื่องบินนั้นเป็นสีขาวบินวกวนไปมาเหมือนกับมแมลงที่ไม่มีพิษบางอย่างที่ชอบบินออกมาเล่นไฟในเวลากลางคืน ไม่นานก็มีเสียงสู้แวกอากาศลงมาซึ่งบางครั้งก็ดังหวีดวิวพรอยหลับตากลั้นใจกอดหลานไว้แน่นแล้วก็มีเสียงระเบิดที่ดังไม่เท่าเสียงปืนแต่ความกระเทือนสั่นไหวอย่างหนักๆที่เกิดจากระเบิดนั้นน่ากลัวสยดสยองไปกว่าสงครามเป็นอย่างนี้เองพรอยนั่งนึกอยู่ในใจ าพากันประหัตประหารกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันไม่เคยมีอริบาดหมางขุนเคืองกันมาก่อนแปลกเกินที่คนข้างล่างกับคนที่อยู่บนเครื่องบินไม่มีเรื่องมีราวกันเลยแต่คนที่อยู่ข้างล่างถ้าไม่กําลังหลบซ่อนตัวก็พยายามยิงคนที่อยู่ข้างบนให้ตกลงมาคนที่อยู่บนเครื่องบินก็เห็นจะเป็นทหารอยู่ในวัยชะกัน เป็นคนนุ่มๆคราวลูกคราวหลานขนาดตาอ๊อดหรืออย่างผู้ใหญ่ก็ขนาดตะอ้นต่างคนก็ต่างมีแม่มีเมียมีลูกหรือพี่น้องคนรักที่จะต้องคอยห่วงใยถ้าตกลงมาตายก็จะต้องมีความทุกข์โถ่อเอ้ยพลอยมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นเครื่องบินอีกเครื่องหนึ่งกำลังบินอยู่ มีไฟฉายจากข้างล่างจับอยู่เต็มลังบินออกไปเสียให้พ้นเถิดพ่อคุณพรอยนึกในใจพรางภาวนาเอาใจช่วยให้คนที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นรอดพ้นจากอันตรายเสียงระเบิดแวกอากาศดังลงมาอีกสู้หนึ่งคราวนี้รู้สึกว่าใกล้จนมีลมแล่นมากระทบตัวพรอยที่นั่งอยู่ภายในห้องมีเสียงอะไรดังกราวเหมือนกับใบพัดหมุน แล้วก็มีเสียงระเบิดและความกระเทือนที่ทำให้ตึกแกว่งไกวพรอยผ่อนคลายลมหายใจที่กลั้นเอาไว้ออกช้าๆเอามือลูบไล้ไปตามตัวหลานเพื่อปลอบไม่ให้สะดุ้งกลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระเบิดคงจะต้องมีคนเจ็บคนตายพรอยนึกในใจต่อไปแล้วก็มองออกไปทางหน้าต่างตามขอบฟ้าที่เริ่มจะแดงเป็นหย่อมๆด้วยไฟที่กาลังไหม้ หลังจากถูกระเบิดจุดแห่งแสงสว่างต่างๆนั้นกำลังขยายตัวกว้างออกแสงเพลิงพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีควันกลุ่มดำๆมห่ือมาตามติดขึ้นมาพรอยรู้สึกว่าในคอของตนนั้นแห้งผากผิวหนังก็รู้สึกว่าหนาวเยือกเย็นเพียงจะสั่นจะออกปากวานใครขึ้นไปหยิบพ่ห่มจากตึกชั้นบนลงมาให้ ก็ไม่ก้าเพราะรู้สึกเกรงใจทุกคนที่กําลังร่วมเสี่ยงอันตรายอยู่ด้วยกันในเวลาเช่นนี้ไม่มีเจ้าของบ้านไม่มีคนใช้ไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีนายไม่มีบ่าวทุกคนอยู่ในอํานาจอันใหญ่หลวงที่น่าสะเพริงกลัวเหมือนกันเสมอและก็เท่าเทียมกันอํานาจของพญามัจจุราชซึ่งเมื่อมาถึงเมื่อใด ก็ย่อมจะหมดบางอำนาจวาสนาตำแหน่งฐานะต่างๆที่มนุษย์ปั้นขึ้นเพื่อหลอกตัวเองนั้นให้หมดสิ้นไปแสงไฟที่จับท้องฟ้ากำลังแผ่กว้างออกไปทุกทีตายจริงไฟไหม้ใหญ่พลอยลำพึงออกมาเบาๆนึกในใจต่อไปว่าคนที่ไม่ตายก็คงจะต้องลำบากบานช่องข้าวของไม่เป็นจุนวอดวายไป จะเก็บอะไรก็คงจะไม่ทันเพรมรวดคือมัวแต่กลัวลูกระเบิดถ้าเป็นคนหนุ่มสาวคงจะพอทำนาแต่ถ้าเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กอย่างหลานที่กำลังอุ้มอยู่นี้ก็คงจะลำบากมากเด็กเอ้ยเด็กพลอยเอามือลูบไล้หลานที่หลับคาตักอยู่ไปมาเสียงยุงมาร้องใกล้ตัวทำให้พลอยต้องเอามือคอยโบกไล่ยุงไม่ให้กัดหลาน ในใจตื้นตันด้วยความสงสารเด็กจับใจเกิดมาในเวลาที่บ้านเมืองอย่างนี้นับว่าเป็นกรรมเป็นเวรเหลือเกินนี่ถ้าเป็นไปในยามปกติก็คงจะได้หลับนอนอย่างสบายไม่รู้เดียงสาไม่ต้องมานอนให้ยุงกัดไม่ต้องตกใจผวาสะดุ้งด้วยเรื่องที่ไม่รู้ไม่เข้าใจใครเคารพกันที่ไหนด้วยเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวสักหน่อย แต่ก็อาจจะพลอยเจ็บพลอยตายไปกับผู้ใหญ่เรื่องของเด็กควรจะมีแต่จะกินจะนอนจะเล่นมีผู้ใหญ่คอยดูแลคุ้มครองให้มีความสุขให้พ้นจากโผยภยัยแต่อันตรายอย่างนี้ใครจะไปคุ้มครองได้สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมยาเองก็ทำไม่ได้อย่างดีก็ขอให้ได้ตายด้วยกันหรือขอให้ตัวของยาได้ช่วยคุ้มกันลูกปืนลูกระเบิดอย่าให้ถูกหลาน คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์ด้วยเถิดเจ้าประคูลพรอยนึกภาวนาอยู่ในใจทั้งที่รู้ว่าคําภาวนาของตนที่ตั้งขึ้นด้วยกําลังใจอย่างยิ่งยวดนั้นไม่อาจจะบังเกิดผลคุ้มครองอะไรได้เลยพรอยนั่งอยู่เช่นนั้นนานเท่านานโดยมีหลานคนเล็กหลับอยู่คาตักด้วยความเหนื่อยอ่อนของเด็กไร้เดียงสา พลอยไม่ทันได้สังเกตว่าเวลาล่วงเลยไปนานสักเท่าไหร่พลอยเองก็นั่งปล่อยตัวเข้าสู่พวังเพราะเสียงเครื่องบินเสียงระเบิดและก็เสียงปืนนั้นเงียบหายไปนานแล้วคงมีแต่เสียงมแมลงเสียงกบเขียดและเสียงนกที่ออกหากินกลางคืนร้องอยู่ตามปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่น่าสยดสยองเกิดขึ้น สิ่งที่เป็นพยานว่าสงครามได้มาถึงตัวคนในกรุงเทพอย่างใกล้ชิดก็คือแสงสว่างที่จับท้องฟ้าเป็นทางยาวมีควันสีขาวแล้วก็สีดำขึ้นที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแสดงให้เห็นว่าไฟที่ไหม้อยู่เป็นหย่อมๆนั้นบัด น, นี้ได้ลุกลามติดต่อถึงกันเป็นพืชบริเวณที่ไฟไหม้จะกว้างขวางเพียงใดจะเสียหายมากมายเพียงใดพรอยก็หมดปัญญา ไม่สามารถจะคาดคะเนได้เสียงบูดสัญญาณดังสนั่นขึ้นเป็นเสียงยาวอีกครั้งหนึ่งพรอยสะดุ้งตัวลอยเอาแขนโอบไปรอบตัวหลานอย่างระวังระไวเสียงตาอัานพูดขึ้นใกล้ๆตัวว่าปลอดภัยแล้วคุณแม่ขึ้นเรือนกันเถอะพรอยลุกขึ้นอย่างงงๆ เหยียดแข้งขาที่ชาเป็นเหน็บด้วยความหนาวของอากาศในยามดึกอุ้มหลานตามตะอั้นขึ้นไปข้างบนส่งหลานคืนให้แก่สมใจถึงในมุ้งแล้วก็กลับมานอนคนในวัยเช่นพลอยตามปกติถึงแม้จะไม่มีอะไรรบกวนก็นอนไม่ค่อยจะหลับอยู่แล้วฉะนั้นตลอดคืนนั้นทั้งคืนไปจนรุ่งสว่างพลอยก็ได้แต่นอนหลับตานิ่งๆเพื่อพักผ่อนกาย ส่วนใจนั้นจะได้ระงับหลับลงจริงๆก็หาไม่รุ่งขึ้นอีกวันพอเพิ่มมาเยี่ยมแล้วก็มาถามข่าวคราวแต่เช้าพอเห็นหน้าพลอยก็ร้องขึ้นว่าเห็นหรื อ, อยังแม่พลอยฉันว่าไว้แล้วปารเห็นอะไรกันคุณหลวงถ้าเป็นอย่างเมื่อคืนบ่อยๆฉันก็เห็นจะตายแน่ๆไม่อยากพบอยากเห็นอีกต่อไปละ ไม่ใช่ฉันหมายถึงเรื่องที่เคยพูดกันว่าฝรั่งจะแพ้นั่นอย่างไรละ่ะคราวนี้ได้เห็นกันละ่ะเขาเริ่มตีกลับแล้วเ<ๆ>บาๆหน่อยคุณหลวงฉันก็รู้แล้วว่าคุณหลวงเนี่ยไม่กลัวคุกกลัวตารางแต่คราวนี้อย่าเพิ่งเลยถ้าติดจริงฉันปีเย่ยมไม่ไหวหรอกนะฉันกลัวลูกระเบิดไม่เป็นไรหรอกนะแม่พลอยถ้าสงครามเป็นไปในรูปนี้อีกหน่อยก็เสร็จเมื่อสงครามเสร็จแล้ว ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกพอเพิ่มพูดเช่นเดียวกับคนที่พลอยรู้จักอีกหลายคนในขณะนั้นไม่ว่าใครจะพูดถึงความยากลําบากความขาดแคลนและความขับแค้นในใจอย่างไรก็ตามก็มักจะมีผู้ตอบเสมอว่าเมื่อสงครามจบสิ้นลงความยากลําบากเหล่านี้ก็จะอันตรธานไปเองและความเรียบร้อยความสบาย และความสมบูรณ์ทูลสุขก็จะเข้ามาแทนที่เป็นความหวังที่กลายเป็นความเชื่อถืออย่างมั่นใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นอันมากสามารถที่จะอดทนต่อความยากลำบากแกรนแค้นในระหว่างสงครามเพราะว่านึกเสียว่าเป็นการชั่วคราวเสร็จสงครามแล้วก็จะกลับมาสบายเหมือนเดิม บางคนที่มีอคาาติหนาๆอย่างเช่นพ่อเพิ่มก็นึกเลยเถิดยิ่งไปกว่านั้นคือนึกไปว่าคนที่มีบุญหนักสักใหญ่ในขณะนั้นหลายคนที่พ่อเพิ่มไม่ชอบไม่ถูกนิสัยนั้นจะต้องมีอันเป็นไปต่างๆเมื่อสงครามจบลงแล้วอาการที่จะมีอันจะเป็นไปนั้นก็คงจะสะสมกับความโกรธความเกลียดความไม่พอใจที่พ่อเพิ่มพอกพูนสะสมไว้ในใจระหว่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอะไร ที่พอเพิ่มไม่พอใจพอเพิ่มก็มักจะกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็พูดว่าคอยดูไปเถอะคอยดูไปเถิดน่ะอีกไม่นานบร็อกครั้งหนึ่งตะอั้นบังเอิญนั่งอยู่ด้วยอดถามไม่ได้ว่าอะไรกันครับคุณลุงคอยดูอะไรกันคอยดูเมื่อเสร็จสงครามแล้วจะตีหน้า ย, ยังไงกันพอเพิ่มตอบพุ่นห้วน แต่อันก็ยังสงสัยใครตีหน้าอย่างไรเมื่อไหร่ครับเฮ้ยก็ผู้คนมีบุญบางคนนี่แหละคอยดูไปเถอะพอฝรั่งเขากลับเข้ามาได้เขาหายอมเสียไม่หรอกแต่อันก็เลยร้องอ๋ออย่างนั้นน่ะเหรอคุณลุงก็คงจะมีบ้างแต่คุณลุงอย่าเพิ่งประมาทไป ความยุ่งยากในบ้านเมืองเราไม่เสร็จไปง่ายๆพร้อมกับสงครามหรอกครับถึงอย่างไรเราก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ใครเขาจะนำพาถ้าลำบากก็คงจะลำบากด้วยกันทุกคนอะอย่างนั้นก็ไม่ยุติธรรมสิพ่ออัน้นพวกเราไม่เดียวไปทำอะไรให้เขาสักหน่อยทําไมจะต้องพลอยลำบากไปด้วยจะไปหาความยุติธรรมอะไรจากสงครามแล้วครับคุณลุงสงครามสมัยนี้ใครๆก็ต้องลาบากทั้งนั้น ทั้งผู้แพ้ผู้ชนะยิ่งคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้เป็นต้นเหตุนั่นแหละจะต้องยิ่งลําบากไปใหญ่แต่อันพูดแล้วก็ถอนใจอย่างระอาอีกสองสาวันต่อมาตาอั้นก็ให้มีการขุดหลุมหลบภัยใหญ่ที่สนามหน้าบ้านนะคะคือขุดกะให้พอบรรจุคนทั้งหมดภายในบ้านได้ซึ่งการสร้างหลุมหลบภัยนั้นตาอั้นบอกว่าแพงเต็มที เพราะว่าราคาของทุกอย่างตลอดจนค่าแรงเนี่ยขึ้นสูงรี่ยวพรอยได้แต่บอกว่าอย่าเสียดายเลยถ้าสิ่งใดสามารถที่จะคุ้มครองชีวิตมนุษย์ได้ในยามนี้ก็ควรทำเพราะเพิ่มดูจะสนุกในการนี้มากกว่าคนอื่นเที่ยวไปเที่ยวมาดูการก่อสร้างหลุมหลบภัยที่บ้านพรอยด้วยความสนใจเป็นที่สุดแล้วก็มักจะมีความเห็นมาแนะนำตาอั้นทุกเที่ยวที่มาดูพอหลุมเสร็จได้ไม่งานเท่าไหร่ เครื่องบินก็มาทิ้งระเบิดอีกเรียกว่าทำปุ๊บก็ได้ใช้ปั๊บกันเลยทีเดียวและก็มาอีกเฉพาะในเวลาที่เดือนไงยศัพท์ที่เรียกกันนั้นก็คือวอมาเป็นคําที่ติดปากแล้วก็เป็นที่รู้กันนะคะและก็มีข่าวเรื่องลือกันทั่วไปเกี่ยวกับการระเบิดทําลายใครเจ็บที่ไหนตายที่ไหนด้วยอาการที่น่ากลัวอย่างไรเพราะเพิ่มมีนิยายเล่ามากกว่าค น, นอื่น เพราะแทนที่จะเห็นเป็น เ, เรื่องที่น่ากลัวเห็นภัยอันตรายต่างๆเป็นทุกอย่างที่พลอยเห็นพ่อเพิ่มกลับเห็นเป็นของสนุกบางครั้งพ่อเพิ่มก็โดนระเบิดเข้าจริงๆมีนิยายมาเล่าให้พล อ, ย, พอ ย, ยได้ฟังอย่างคลึกคลืนนะคะครั้งหนึ่งพอเพิ่มหายไปหลายวันพอมาถึงบ้านก็เอ่อยขึ้นว่าฉันสวยแ ท, ท้ๆทีเดียวแม่พลอย ต้องไปเที่ยวรถน้ำมนติเส็จวัดเกดว่าทำไมล่ะคุณหลวงเรื่องมันอย่างนี้คือวันที่ลูกระเบิดตกใหญ่ที่หัวลำโพงฉันอเผอิญไปกินเลี้ยงกับเพื่อนฝูงหลายคนที่โฮเ็ลตุ้นกีพอกินเลี้ยงเสร็จเดินออกมาแถวหน้าสถานีก็พอดีหวอขึ้นพวกพ้องฉันเขาจะลงหลุมแต่ฉันเห็นว่าให้คนอื่นเข้าดีกว่า พวกเราจะตายบ้างก็คงจะไม่เป็นไรจึงค่อยๆหลบอยู่แถวๆนั้นละ่ะพอดีได้ยินเสียงระเบิดลงมาดังสู้ฉันก็ลงนอนคว่มอยู่ข้างถนนตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมีแต่เสียงระเบิดเปรี้ยงปร่างแล้วก็เศษอะไรมันปลิวว่อนไปหมดฉันนอนคว่ำหน้าอยู่ตั้งนานเสียงระเบิดก็ดังอยู่เรื่อยนึกในใจว่าคราวนี้คงไม่รอดแต่ก็ช่างมัน นานเต็มทีจึงได้สงบลงไอ้ฉันก็นอนคิดว่าตัวเองมีเจ็บอะไรที่ไหนบ้างแต่ดูมันก็ไม่เห็นมีฉันจึงยันตัวลุกขึ้นยืนเอเอมันก็ยืนได้ไม่มีเจ็บไม่มีขัดไม่ยอกอะไรที่ไหนเลยพอจะเอ่ยปากว่าตัวกูนี่เคราะอย่างดีเจ้าเพื่อนบางคนที่นอนอยู่ข้างหลังของฉันมันก็ร้องตะโกนว่าล้วงโวย ทำใจดีๆไว้เถอะถ้าเองจะไม่รอดเสียแล้วอะไรมันออกมาห้อยอยู่ข้างหลังทั้งพวงนั่นแน่ฉันได้ยินก็เหลียวไปดูจริงของมันทีเดียวแม่พ้อยตับไตใส่พุงออกมาแขวนอยู่ข้างนอกหมดฉันก็ค่อยๆกลับลงนอนใหม่ตั้งใจจะนอนตายให้สบายๆแต่นอนอยู่ตั้งนานมันก็ไม่ยักกระตายเจ็บอะไรก็ไม่เจ็บจนตำรวจคนหนึ่งเข้ามาเห็นเข้า ฉันก็ร้องเรียกเขามาฝากผีบอกให้เขาช่วยขนศพฉันใส่รถไปส่งคืนให้เมียเขาด้วยแต่เขามองมองดูแล้วบางทีเขาจะเห็นอะไรผิดสังเกตเขาก็มาช่วยพยุงฉันให้เดี๋ยวยืนขึ้นอย่างสบายสึ่งฉันก็ยืนได้จนตัวเองเอกใจตำรวจนั่นเขาก็หาไม้มาเขี่ยๆที่หลังไอ้ตับไตใส่พุงนั่นมันก็หลุดออกมาทั้งพวง ในขณะที่ชันเองก็ยังไม่ล้มลงตายก็เลยรู้กันว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนั้นนะ่ะมันของคนอื่นที่เขาปลิวมาติดตั้งหากพลอยอดหัวเราะขันพี่ชายไม่ได้ทั้งทั้งที่รายละเอียดที่พ่อเพิ่มเล่านั้นมันดูน่ากลัวสยดสยองแล้วก็น่ายขยะแขยงนะคะและ้วตำรวดคนนั้นเขาว่าอย่างไรล่ะชันไม่่าอยู่รอฟังก็อรอกแม่พลอยพราะรู้ตัวว่าไม่ใช่ของฉัน ฉันออกวิ่งได้ก็วิ่งอ้าวเข้าไปในวัดหัวลมโพงไปตะโกนเรียกพระขอน้ามนท่านรดตั้งแต่นั้นมาฉันกระท่องเที่ยวไปรดน้ำมนจนไม่รู้ว่ากี่สิบวัดเข้าไปแล้วสวยแท้ทีเดียวฟังดูก็น่ากลัวนะคะนี่เครื่องบินฝรั่งในตอนนั้นก็มาทิ้งระเบิดบ่อยๆในคืนที่เดือนงายนะคะเพราะเหตุนั้นค่ะ พอถึงเวลาข้างขึ้นเดือนงายแผนที่จะเป็นช่วงเวลาอันรื้นบรมนะคะพลอยก็ต้องเตรียมตัวเป็นการใหญ่ทุกคืนไปจัดหีบหอเตรียมตัวสำหรับลงหลงุมซึ่งในหีบนั้นก็มีพร้อมละทั้งหมากทั้งยาดมยาแก้ลมยาแดงสำหรับใส่บาดแผลยาแก้ปวดท้องตลอดจนขนมแห้งๆสาหรับแจกห ล, ลานๆแล้วก็เด็กๆในบ้านในหอผ้าอีกหอหนึ่ง ก็มีเสื้อกันหนาวของหลานพาห่มกันหนาวสำหรับของตัวเองแล้วก็ผ้าผ่อนเครื่องมือจุกจิกอีกหลายอย่างซึ่งพลอยก็จะต้องสำรวจว่ามีอยู่ครบคือต้องคอยสารวจความเรียบร้อยนะคะว่าจะมีอยู่ครบก่อนที่จะเข้านอนคือเตรียมพร้อมเอาไว้เลยทีเดียวทีนี้คืนมันหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดพลอยเนี่ยเข้านอนด้ยวยความโล่งใจ ไม่ได้เตรียมของต่างๆเอาไว้เหมือนเคยเพราะว่าคืนนี้มันคืนเดือนมืดไงเออตามปกติแล้วเขาไม่มาแล้วพ่อเพิ่มก็เคยอธิบายไว้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ต้องการทิ้งระเบิดเลอะเทอะไม่ถูกเป้าเขาอยากจะทิ้งเฉพาะที่ที่มีความสําคัญในการสงครามเช่นที่ตั้งทหารญี่ปุ่นหรือว่าที่เก็บน้ํามันท่าเรือทางรถไฟแล้วก็สะพานนะคะ ส่วนวัดวาอารามและก็บ้านคนเนี่ยเขาไม่อยากทิ้งเพราะกลัวคนที่ไม่รู้เรื่องจะเป็นอันตรายเขาก็เลยต้องมาทิ้งเวลาเดือนหงายจะได้แลเห็นที่ทางต่างๆได้สะดวกแล้วก็ทิ้งระเบิดไม่ผิดพลาดอีกอย่างหนึง่งพ่อเพิ่มบอกว่าเครื่องบินฝรั่งนั้นถ้าบินมาในเวลาเดือนหงายถึงจะฉายไฟขึ้นไปก็เห็นได้ยากเพราะว่าท้องฟ้าสว่างเหตุผลเหล่านี้พลอยก็เห็นจริงด้วยนะคะ ก็ถือเอาคืนเดือนมืดครึ่งเดือนนั้นเป็นเวลาพักผ่อนได้อย่างจริงจังคือสบายใจส่วนคืนเดือนหงายเนี่ยก็ต้องกระเตรียมตัวเอาไว้รับภัยอันตรายต่างๆอย่างพร้อมนะคะเตรียมพร้อมเลยละ่ะทีนี้คืนนั้นพลอยก็เลยเข้านอนอย่างไม่ระมัดระวังตั้งใจว่าจะนอนให้เต็มตื่นแต่พอนอนได้ไม่นานกําลังเริ่มจะงีบหวสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นสนั่นค่ะ พลอยสะดุงลุกขึ้นนั่งแล้วก็รีบออกจากมุ้งอย่างเคยพอถึงประตูมือก็ควานหากระเป๋าและห่อผ้าซึ่งเคยวางเอาไว้เป็นปกติแต่ว่าครัไม่พบนึกขึ้นได้ว่าคืนนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมเอาไว้เพราะเป็นคืนเดือนมืดขณะเดียวกันก็นึกโงนว่าในเมื่อคืนเดือนมืดแล้วเครื่องบินนี้มันมาได้ยังไงพลอยเปิดประตูก้าวออกไปนอกห้อง แล้วก็พบตาอั้นพอดีตาอั้นก็บอกว่าถ้าจะเหลวเสียแล้วละคราวนี้ตาอั้นพูดแล้วก็หัวเราะนะคะเพราะว่าเคยมีหลายครั้งแม้แต่เวลาเดือนหงายที่มีสัญญาณภัยดังขึ้นแต่ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด แต่อันก็บอกว่าผมว่าอย่าลงหลุมกันดีกว่าเดือนมืดอย่างนี้คงไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่กลับไปนอนเถอะตาอันยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งทีนี้ถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยจะเห็นจริงกับตาอันแต่ก็ยังอดนึกห่วงหลานหลานไม่ได้ก็ถามถึงหลานหลานว่าเป็นยังไงแต่อันก็บอกว่านอนหลับอยู่ทั้งสองคนแล้วครับคุณแม่เสียงหวอก็ไม่ได้ยินอย่าไปกวนแกเลย พลอยกำลังเอามือบิดลูกบิดประตูแล้วก็จะเดินกลับเข้าห้องแต่ในทันใดนั้นก็ต้องยืนหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะบนท้องฟ้ามีเสียงคลางเบาๆเสียงซึ่งพลอยรู้และก็จําได้ดีว่าเป็นเสียงเครื่องบินฝรัง่งอันอะไรครับคุณแม่อันี่กินอะไรหรือเปล่าเครื่องบินมาแล้วใครว่าเขาจะไม่มาเวลาเดือนมืด แต่อันเงียหูฟังเอเสียงดังชอบกลหรือว่าจะเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นไม่ใช่หรอกอันแม่จำเสียงได้เรือบินญี่ปุ่นเสียงเหมือนกับเรือไอแท็กซี่ที่มานี่ของฝรั่งแน่รีบลงข้างล่างกันเถอะพรอยพูดแล้วก็รีบเปิดประตูดเดินเข้าไปในห้องต่อันบอกสมใจเบาๆให้ช่วยกันอุ้มเด็กไปลงหลุม ขณะที่พลอยอุ้มหลานออกไปพ้นประตูตึกและกำลังรีบเดินข้ามสนามจะไปลงหลุมนั่นเองก็มีเสียงอะไรล่วงจากฟ้าลงมาดังวิวเหมือนกับเสียงลูกระเบิดทำให้พลอยรู้สึกเสียวไส้ขาแข้งเริ่มจะสั่นแล้วก็ก้าวไม่ค่อยออกทันใดนั้นก็มีเสียงแตกดังโป๊ะบนท้องฟ้าเหมือนกับพลุที่เขาจุดในงานศพแตกออกเพียงอึดใจเดียวทุกอย่างก็สว่างไปทั่ว ไม่ใช่สว่างยืกเย็นอย่างเวลาเดือนายแต่สว่างจ้าเพียงบากตามองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนพอหยุดชะงักอยู่กับที่แหงหน้าขึ้นดูบนฟ้าตรงศีรษะขึ้นไปมีไฟดวงหนึ่งลอยอยู่และกำลังร่วงลงดินอย่างช้าๆไฟดวงอื่นๆกำลังแตกออกไปในที่อื่นๆอีกสามสี่ดวง แต่ละดวงเพิ่มแสงสว่างที่มีมากอยู่แล้วให้มากขึ้นไปอีกจนทั่วบริเวณบ้านแลดูสว่างเหมือนกลางวันแม้แต่สีเขียวของหญ้าที่สนามและสีใบไม้บนต้นไม้ก็เห็นได้ถนัดชัดเจนแต่อันที่เดินมาข้างหลังเดินตามมาอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าพรุคุณแม่เขาทิ้งพรุสว่างจนหนังสือก็เห็นอันเอาแอลตามไปฝากสมใจเขาไว้ในหลุมก่อน พลอยพูดพรางส่งหลานให้ตาอัน้นแล้วคุณแม่แม่ยังไม่ลงละ่ะจะเป็นจะตายก็จะขอดูก่อนคืนนี้เกิดมาแม่ไม่เคยเห็นสักทีตาอั้นรับลูกแล้วก็เดินลงหลุมหายไปพลอยนั่งลงท่ามกลางแสงสว่างที่มาหินเล็กๆตัวหนึง่งที่มีคนเอามาตั้งไว้ที่ปากหลุมสักครู่ตาอั้นก็ออกมานั่งข้างๆพรางบอกว่า ต่อไปนี้ไม่มีเดือนมืดเดือนงายอีกต่อไปเขานีกจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้นั่นสิอันไม่เป็นอันได้หลับแน่นอนกันแล้วหละตอนนี้ตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ก็เป็นไปจริงตามที่พลอยได้คาดไว้คนในกรุงเทพไม่มีเวลาหลับนอนในเวลาค่ามคืนเพราะเครื่องบินมาทิ้งระเบิดโดยไม่มีกำหนดว่าจะต้องเป็นคืนเดือนมืดหรือว่าเดือนงาย ข่าวคราวความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์มีมากขึ้นทุกทีขณะนั้นก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวทั่วไปที่เรียกว่าการอพยพครอบครัวคือคนในกรุงเทพที่อยู่ในย่านซึ่งถูกระเบิดก็เริ่มอพยพออกจากบ้านแล้วก็ไปหาที่อยู่อื่นที่ตนนึกว่าปลอดภัยขั้นแรกก็อพยพไปเพียงใกล้ๆเช่นคนที่อยู่ในกรุงเทพก็อพยพไปอยู่ที่ฝั่งทนคนที่อยู่บางซื่ออพยพมาอยู่คลองเตย คนที่อยู่แถวคลองเตยก็อบพยพไปอยู่แถวบางซื่อความตะหนกตกใจหรือความแตกตื่นในภัยอันตรายเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็แผกว่างออกไปเสียงพูดกันด้วยเรื่องอบพยพได้ยินไปทั่วในขณะนั้นในกรุงเทพจะมีผู้คนเดินถนนเฉพาะเวลากลางวันแต่พอตกค่ำถนนหนทางก็เงียบราวกับเมืองร้าง เพราะว่าผู้คนจะเข้ามาทําธุรกิจการงานเฉพาะแต่ในเวลากลางวันเท่านั้นแต่พอค่ําลงต่างคนก็ต่างอพยพแยกย้ายหลบลี้ภัยไปอยู่ตามชาญเมืองตาอันเคยถามพลอยในเรื่องนี้ว่าคุณแม่ไม่คิดอพยพบ้างหรือแม่จะอพยพอย่างไรไหวผู้คนในบ้านออกเป็นก่ายเป็นกองจะไปหาที่อยู่ที่ไหนกันหมดทั้งเด็กทั้งคนแก่ ขืนอพยพก็จะต้องลำบากรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่กินกันไม่เป็นที่เป็นทางคุณแม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องหอบเอาไปทั้งบ้านนี่ครับจะไปแต่ตัวแล้วเลือกเอาคนไปใช้สอยสักสองสามคนก็คงพอไม่ได้หรอกอัน้นแม่ตัดช่องน้อยไปเฉพาะตัวไม่ได้คนพวกนี้อยู่ด้วยกันมานานหลายชั่วคนเห็นอกเห็นใจกันม า, มากเป็นตายก็ต้องเกาะกันไปแม่ทิ้งในายามนี้ไม่ได้ แล้วอีกอย่างหนึง่งแม่ก็เชื่อบุญเชื่อกรรมถึงคราวจะตายที่ไหนก็คงจะตายทั้งนั้นแต่เดชะบุญลูกระเบิดก็ยังไม่เคยมาตกลงแถวนี้เห็นจะยังไม่ต้องตื่นตูมไปกับข้าด้วยกระมังผมเห็นคุณแม่ลำบากเรื่องไม่ได้หลับได้นอนต้องวิ่งลงหลุมอยู่บ่อยๆถ้าไปอยู่ไก ล, ก, ลก็จะได้นอนเต็มตื่นรอไปก่อนเถิดอ่านถ้าแม่ไปอยู่ไกลแม่ก็คงนอนไม่หลับเท่ากัน เพราะเป็นห่วงบ้านบ้านนี้แม่อยู่มานานรู้จักคุ้นเคยใกล้ชิดเหมือนกับเพื่อนเก่าที่อยู่มาด้วยกันจนแก่เท่าถึงเวลาจะต้องตายก็อยากจะตายด้วยกันพอเพิ่มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นความจําเป็นของการอบพยพเมื่อพลอยเล่าให้ฟังถึงเรื่องตาอั้นมาแนะนําให้อบพยพพอเพิ่มก็บอกว่าอย่าเลยแม่พลอยเริ่มปากเปล่า ดีไม่ดีไปเป็นอะไรเข้าระหว่างอบพยพจะขายหน้าเขาด้วยเราอยู่ที่บ้านของเราจะมีภัยก็แต่ลูกระเบิดอบพยพไปแล้วไหนจะต้องเสียสตังไหนจะต้องกันดานไหนจะโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็โจรผู้ร้ายได้ไม่คุ้มที่จะต้องเสียรอกแต่เมื่อพ่อเพิ่มพูดไปอย่างนั้นแล้วชะรอยจะเกิดห่วงน้องสาวขึ้นมาหรืออย่างไรพ่อเพิ่มก็เริ่มหาเครื่องคุ้มภัยต่างๆ เป็นต้นว่าพยันแดงเอามาผูกให้ที่บ้านเอาน้ำมนมาพรมเอานทรายที่รับรองว่าเสกเป่ามาแล้วขังนักมาโปรยรอบบ้านพร้อมกับอธิบายคุณภาพว่าถ้าลงได้ทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่มีลูกระเบิดมาตกได้เป็นอันขาดรับรองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงทีเดียวสำหรับบุคคลแต่ละคนตั้งแต่พลอยกระทั่งถึงเด็กๆในบ้าน พอเพิ่มก็มักจะมีของดีมาแจกบ่อยๆบางครั้งก็เป็นเสื้อพญันแดงเย็บสำเร็จรูปตัวยันนั้นลงไว้บนผ้าคือลงไว้ด้วยภาพด้วยพิมพ์หินนะคะเป็นวิธีการทานะคะบางทีก็เป็นพระเครื่องจากวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างตะกรุดลูกอมบ้างเงินเหรียญบาทรัชกาลที่ห้าที่มีพระบรมรูปอยู่บนนั้นบ้าง ซึ่งอันนี้พ่อเพิ่มก็เอามายัดเยียดให้พลอยแล้วก็บอกว่าให้รักษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าหายากนักทีเดียวทั้งหมดนี้พลอยก็รับไว้ด้วยความเห็นใจในเจตนาดีถึงพลอยจะไม่ได้มีความเชื่อถือในคาถาอาคมหรือว่าเครื่องรางเท่าไหรนะ่นักแต่พลอยก็จำต้องเก็บของต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ใกล้ตัวด้วยความเกรงใจพาะเพิ่มที่เชื่อถือแบบจริงจังในที่สุดของดีที่พ่อเพิ่มให้ ก็รวบรวมได้เป็นกองโตซึ่งพลอยใส่เอาไว้ในกระเป๋าสาหรับลงหลุมบางครั้งพลอยก็ต้องถอนใจใหญ่เพราะว่าของดีที่พ่อเพิ่มให้นั้นมากินที่ขนมสำหรับแจกหลานไปเป็นกองคือถ้าเกิดว่าไม่มีของเหล่านี้เนี่ยพลอยก็สามารถที่จะเอาขนมยัดเยียดใส่กระเป๋าลงไปได้มากกว่าวันหนึ่งตอนสายพลอยจาได้ดีว่าเป็นวันวิสาขะ พลอยทำของให้คนเอาไปถวายพระที่วัดแต่เช้าแล้วก็นอนคว่มอย่างสบายอยู่ห้องกลางบนตึกคุยกับคุณเชยที่มาเยี่ยมในวันนั้นสมใจนั่งเย็บเสื้อลูกอยู่ห่งหางๆแล้วคุณเชยกําลังเปิดกระเป๋าถือค้นอะไรต่ออะไรจุกจุจิกจิกออกมาให้แต่แอลเล่นทันใดนั้นพลอยก็นอนตัวแข็งอยู่กับที่ด้วยความตกใจเพราะเสียงคลางของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เคยได้ยินกลางคืน ดังขึ้นอย่างได้ยินถนัดคุณเฉยช่วยฟังอีกคนหรือว่าหูฉันได้ยินไปเองฉันก็ได้ยินแล้วไม่พรอยวันนี้ฉันต้องกลับบ้านแต่วันละถ้าเขามาบินตรวจอย่างนี้กลางคืนเขามักจะมาทิ้งหนักทุกทีพอคุณเฉยพูดขาดคำเสียงลูกระเบิดก็ร่วงจากฟ้าดังขึ้นดังสู้ ลมที่เกิดจากการร่วงของระเบิดตีเข้ามาทางหน้าต่างทำให้บานหน้าต่างสั่นสะเทือนกระทบกันพลอยนอนอยู่ในท่าเก่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกหลายครั้งตัวตึกไหวเหมือนมีใครมาจับเขยา่าแสดงว่าคราวนี้ระเบิดตกใกล้บ้านเข้ามามากทีเดียวพอสุดเสียงระเบิด พลอยก็ลุกขึ้นคว้าตัวหลานชายออกสาวเท้าก้าวเดินโดยเร็วพางร้องว่าแม่สมใจแอดเร็วคุณเฉยฮิ้วกระเป๋าข้างประตูนั่นของฉันลงมาด้วยเมื่อลงไปนั่งกันอยู่ในหลุมเรียบร้อยแล้วพลอยก็เหลือบตาดูรอบๆไม่เห็นประภัยและคุณเสวีแต่อันก็หายไปแม่สมใจอันหายไปไหนคุณออกไปธุระข้างนอก บอกก็จะกลับมารับประทานข้าวกลางวันค่ะสมใจบอกแล้วก็ตีหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงสามีพรอยตอบสมใจลูกสะพ้ายบอกว่าไม่เป็นไรอย่าห่วงเขาเป็นผู้ชายหัวอกสามซอก รู้จักรักษาตัวได้ดีกว่าเราซะอีกเสียงคุณเชยถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าจะมาแต่คืนเดือนงายแล้วก็มาทั้งข้างขึ้นข้างแรมเอาละเป็นอันว่าจะมาแต่กลางคืนแต่เดี๋ยวนี้กลางวันก็มาได้แล้วก็มาใส่เสื้อโครมๆฟังสิแม่พลอย เสียงระเบิดและความกระเทือนของระเบิดได้ยินขึ้นอย่างชัดเจนหลายครั้งทำให้ทุกคนเนี่ยเงียบไปพักหนึ่งฉันไม่เคยนึกเลยนะว่าจะได้อยู่จนได้พบได้เห็นถึงเพียงนี้อยู่มาได้เห็นอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ช่างเถอะถือว่าเป็นของธรรมดาการสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ถึงเพียงนี้เออแม่พลอยเอ้ย ถ้าใครมาบอกฉันแต่ก่อนฉันก็คงไม่ยอมเชื่อว่าเราจะต้องอยู่มาจนได้เห็นถึงเพียงนี้ลองคิดดูสิแม่พลอยตั้งแต่สมัยเรายังไว้จุกวิ่งเล่นกันอยู่ฟากขนนเรือบินก็ยังไม่มีใครรู้จักแต่แล้วเราก็ต้องมาวิ่งหนีเรือบินลงมานั่งในหลุมเหมือนคนบูนน่ากลัวออกจะตายไปแน่วินั่นแน่เอาอีกแล้วเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศตรงมาดังที่สุด เท่าที่พลอยเคยได้ยินแสดงว่าตกใกล้มากหลุมที่นั่งอยู่ก็แกว่งไกวไปเหมือนเปรหรือว่าเรือที่กำลังกระทบคลื่นอย่งหนักฝุ่นร่วงกรูลงมาจากเพดานหลุมทำให้ทุกคนเนี่ยขาวไปทั่วตัวนะคะคือฝุ่นมันก็ร่วงหล่นลงมาจับไปที่ทุกๆคนคือไม้เหลี่ยมอันหนึง่ง ก็หลุดลงมาด้วยแต่เดชบุญหลุดลงมาแล้วก็ไม่ได้โดนใครพรอยรู้สึกหูอื้อตาลายกอดหลานคนเล็กไว้แน่นทุกคนที่อยู่ในหลุมจะนั่งอยู่นานแค่ไหนพลอยก็ไม่สามารถกะได้ถูกแต่สำหรับในใจนั้นรู้สึกเหมือนว่าเวลามันผ่านไปนานสักโกดปีอีกครู่หนึ่งมีเสียงระเบิดดังเบาๆไกลมาก ทำให้รู้สึกว่าเครื่องบินนั้นผ่านไปไกลแล้วคุณเฉยเป็นคนแรกที่ขยับขยื่นตัวแม่พลอยฉันขอออกไปข้างนอกละ่ะถ้าจะตายก็ขอตายข้างนอกให้มันหายใจออกได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันสักหน่อยในนี้ฉันอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วคืนอยู่ต่อไปอีกอึดใจเดียวฉันเป็นลมนอนคว่ำเอามือทุบดินร้องกรีดกรีดเป็นแน่ว่าแล้ว คุณเชยก็เดินออกไปนอกหลุมพรอยนั่งอยู่ต่อไปอีกครู่หนึ่งนะคะก็จะยินเสียงคุณเชยมาร้องเรียกที่ปากหลุมว่าแม่พรอยแม่พรอยออกมาเถอะเห็นจะไม่เป็นไรแล้วละ่ะพรอยเองก็รู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูท่าในหลุมเนี่ยเริ่มจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่า แรงสั่นสะเทือนนี่มันมากเหลือเกินทําให้คื่อหลุดดินแห้งๆเนี่ยก็ยังร่วงลงมาเรื่อยๆพลอยก็หันไปพยักหน้ากับลูกสะพ้ยแล้วก็ค น, นอื่นๆที่อยู่ในหลุมแล้วก็อุ้มหลานเดินนําขึ้นไปคุณเชยรออยู่ที่ปากหลุมนะคะและก่อนที่พลอยจะโผล่ออกไปคุณเชยก็รีบบอกว่าทําใจดีๆไว้นะแม่พลอย ทำใจดีๆไว้ทุกอย่างเป็นของนอกกายที่เรารอดตายกันทุกคนไม่มีใครเจ็บเลยนี่ก็ดีถมไปแล้วของอื่นน่ะหาเอาได้ไหม่ทำไมคุณเชยถึงพูดแบบนี้นะคะคือเมื่อพลอยอุ้มหลานออกมาจากกลุ่มภาพของตึกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของคำพูดแปลกๆของคุณเชยภาพที่เห็นทําให้พลอยนี่ แข้งขาอ่อนหมดกําลังใจสุดตัวลงนั่งอยู่ที่สนามหน้าหลุมนั่นเองความรู้สึกของพลอยตอนนั้นบอกไม่ถูกแต่ว่าเสียดายตึกในฐานะที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สมบัติที่มีราคานั้นก็คงไม่ใช่ หรือถ้าจะว่าให้ถูกต้องว่าเป็นความเศร้าใจเป็นความเวทนาที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจเพราะว่าตึกนี้พลอยมาอยู่ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสาวๆคือตั้งแต่อายุสิบแปดนะคะตอนที่แต่งกับคุณเปรมได้เคยผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์คุณเปรมตายก็ตั้งศพ บ, บนตึกนี้ออกลูกกี่คน เลี้ยงลูกมาจนโตก็บนตึกนี้ความดีใจความเสียใจความปรารถนาความฝันต่างๆในชีวิตก็มาเกิดขึ้นบนตึกนี้เป็นส่วนมากตึกนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งส่วนใหญ่ของชีวิตตั้งอยู่ในรูปวัตถุจับต้องได้มีความหนักแน่นแข็งแรงมีวิญญาณของมันเองเหมือนกับสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นเพื่อนร่วมสุขในยามสุข แล้วก็เป็นเพื่อนปลอบประโลมในยามทุกข์ให้ความคุ้มครองด้วยฝาด้วยหลังคามีให้ภัยอันตรายต่างๆตลอดจนความไม่แน่นอนของโลกภายนอกมาถึงตัวพรอยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตึกนั้นจะสิ้นชีวิตลงโดยกระทันหันค่ะหลังคาเปิดโลง่งกระเบื้องทุกแผ่นปลิวกระเด็นหายไปหมดบานหน้าต่างหลุดร่วงลงมาแล้วบ้าง บางบานก็ยังติดห้อยอยู่อย่างเกะกะบางบานก็หักหายไปเหลือเพียงครึ่งเดียวตามกำแพงตึกมีรอยถูกสะเก็ดระเบิดมากมายหลายแห่งเป็นรอยใหญ่บ้างเล็กบ้างสะเก็ดระเบิดตัดฝาตึกเข้าไปจนเห็นอิดแดงๆชั้นในเหมือนกับบาดแผลชะกันบนเนื้อหนังของมนุษย์ความอบอุ่นความร่มเย็นที่เคยมีหมดสิ้นกัน พลอยรู้สึกว่าชีวิตและวิญญาณของตึกปราศนาการไปด้วยระเบิดเพียงลูกเดียวไม่มีวันจะกลับฟื้นคืนมาได้อีกถึงจะซ่อมแซมให้เข้าอยู่อาศัยได้ต่อไปก็จะเป็นชีวิตเป็นวิญญาณดวงใหม่ไม่ใช่ของเดิมที่พลอยรู้จักพรอยนั่งอยู่ที่ปากกลุ่มนั่นอีกนานคอแห้งผาก ในระหว่างนั้นมีเสียงคนร้องอุทานเสียงคนในบ้านเดินไปเดินมากันอยู่สับสนผู้คนตะโกนเรียกกันอย่างโวกเวกมีเสียงโจ จ, จันต่างๆแต่พรอยก็ไม่ได้สนใจยังคงนั่งนิ่งมองออกไปข้างหน้าค่อยๆทาใจให้คุ้นกับสภาพของบ้านเรือนที่สลายไปโดยไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน เสียงสัญญาณปลอดภัยดังขึ้นอีกครู่ตาอั้นก็มาถึงคุณแม่คุณแม่ผมไปติดอยู่เจริญกรุงคุณแม่เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าใครเป็นอะไรบ้างไหมแม่ไม่เป็นอะไรอัน้นลูกเมียอั้นอยู่กับแม่ไม่มีใครเป็นอะไรค น, น, นอื่นๆในบ้านแม่ไม่รู้ดูออเอาเถอะแม่ก็มัวแต่ตกตะลึงจังงังอยู่นานไม่ได้ถามไถ่เขาเลย คุณเชยคุณเชยมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าพลอยพูดเหมือนกับพ้อตัวเองที่บกพร่องในหน้าที่มัวแต่ตกตะลึงกับภาพที่เห็นรีบตะโกนถามคุณเชยที่เดินไปมานะคะคุณเชยก็ร้องตอบมาจากริมสนามบอกว่าไม่มีเตชะบุญคุณพระช่วยไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ทะลอกก็ไม่มี แม่พลอยเป็นอย่างไรบ้างฉันเองก็ได้แต่ตกใจวิ่งวุ่นไปหมดยังไม่ได้ถามอาการแม่พลอยเลยไม่เป็นไรหรอกคุณเชยฉันตกใจตะลึงไปครู่หนึ่งหายเป็นปกติแล้วพลอยลุกขึ้นยืนตั้งใจว่าจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปทั้งที่รู้ดีว่าส่วนสำคัญของชีวิตเบื้องหลังนั้นขาดหายไปเสียแล้วพลอยเดินดูรอบๆตึกตาอันเดินอยู่ข้างๆ เตือนว่าระวังอย่าเข้าไปใกล้นับคุณแม่อาจจะยังมีลูกหลงอยู่บ้างหรือไม่ก็ไม่รู้แต่พลอยก็ยังคงเดินช้าๆต่อไปเหมือนกับจะไว้อะไรตึกเป็นครั้งสุดท้ายตึกนั้นถูกระเบิดพังเสียหายมากไม่มีทางที่จะกลับเข้าไปอยู่ได้อีกข่าวของผ้าผ่อนกระเด็นร่วงกระจุยกระจายไปรอบโต๊ะเก้าอี้ที่ยังมองเห็นก็หักบ้างชารุดบ้างทุกอย่างมีฝุ่น หรือว่าเศษอิดปกคลุมไปทั่วตรงหน้าพลอยบนทางเดินริมตึกมีกระดาษอะไรปลิวมาตกอยู่แผ่นหนึ่งพลอยก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ใจหายเพราะอีกด้านหนึ่งของกระดาษเป็นรูปของคุณเปรมแต่งเครื่องแบบราชสเสวกเต็มยศถ่ายที่ร้านถ่ายรูปหลวงฉายานรสิงเมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระ พลอยจำได้ดีถึงวันที่คุณเปรมออกไปถ่ายรูปและวันที่ได้รูปกลับมาอวดพลอยที่บ้านรูปนี้คุณเปรมชอบมากที่สุดถึงกับสั่งให้ขยายใหญ่เป็นพิเศษเพื่อติดที่ห้องกลางบนตึกแต่เดี๋ยวนี้รูปนั้นปลิวลงมาวางอยู่ที่ดินกรอบกระเด็นหายไปทางกลางรูปก็มีรอยกระจกแตกบาดเอาเป็นทางยาว พลอยรีบเอารูปคุณเปรมแนบไว้กับอกแล้วก็เดินต่อไปพยายามที่จะกลั้นน้ําตาแข็งใจเอาไว้เพราะว่ารูปนั้นเป็นสัญลักษณ์ของยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่พลอยเคยอยู่เคยมีส่วนร่วมยุคสมัยที่พลอยเคยเห็นว่ามีความสุขความหวังและความแน่นอนแต่บัดนี้ยุคนั้นหมดไปแล้วลับไปแล้วไม่มีวันที่จะได้กลับมาอีก เหมือนกับรูปถ่าย ข, ดขาดๆที่พลอยกอดเอาไว้ไม่มีวันจะซ่อมให้กลับดีได้เหมือนเดิมอ้นแม่จะไปอยู่คลองบางหลวงพลอยได้ยินเสียงตัวเองพูดขึ้นกับตาอ้นตาอ้นตอบว่าก็ดีเหมือนกัน อันต้องไปอยู่กับแม่เอาลูกเอาเมียไปด้วยได้ครับคุณแม่แต่ผมต้องขอเวลาให้เขาไปจัดบ้านนั้นสักสีห้าวันระหว่างนั้นผมจะต้องอยู่ดูแลเก็บข้าวเก็บของในตึกนี้ก่อนถูกแล้วอันช่วยดูทีคืนนี้แม่จะไปอาศัยประภัยเข้านอนสักคืนหนึง่งแต่ผมเรียนแล้วว่าอีกสี่ห้าวัน ถึงจะข้ามฟากไปได้แม่ก็ยินแ ล, ล้วล่ะแต่แม่อยู่บ้านนี้ได้อีกเพียงคืนเดียวพรุ่งนี้แม่จะไปอยู่กับป้าช้อยที่ในวงังอันจัดบ้านเสร็จเมื่อไรให้คนเข้าไปตามแม่ก็แล้วกันพูดแล้วพลอยก็หันหลังให้กับตึกอย่างตัดใจเดินก้มหน้าข้ามสนามไปที่เรือนของประภัยโดยไม่ได้เหลี้ยวกลับมาดูตึก ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเลย